ทิฏฐิคถาในคำพีขุทรการนิกายปฏิสัมพิธามักเกี่ยวไปในเรื่องการศึกษาในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยโดยเฉพาะในทิฏฐิคาถาท่านก็จะถามว่าที่ตั้งแห่งทิฏฐิมีเท่าไหร่ความคุ้มรวมหน่งทิฏฐิเท่าไหร่ทิฏฐิเท่าไหร่ความยึดถือผิดแห่งทิฏฐิเนีเท่าไหร่และความถอนที่ตั้งแห่งทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิคือความรูปคําด้วยความหมินผิดเท่าไร่เป็นต้นตรงนี้ ก็ว่ากันไปตามลำดับเลยที่ตั้งของทิฏฐีความรุมเล่าอย่างทิฏฐีแล้วก็ถามหนึ่งทิฏฐีเท่าไหร่ก็ถามว่าที่ความถอนที่ตั้งแหิชาทิฏฐีเนี่ยก็คือโซดาปริมาณเป็นเครื่องถอนอย่างทิฏฐีนีทีนี้คําว่าทิฏฐีคือความรูปคําด้วยความถือผิดเนี่ย ตัว Alle, ha, um. ท, ทิฏฐีนี่คือความรูปคําด้วยความถือผิดก็รูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนของเราไะสภาพของทิฏฐีจะเป็นอย่างนี้ทิฏฐีความรูปคําด้วยอำนาจในการถือผิดซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราก็คือทิฏฐีรูปคําด้วยความถือผิดที่ตาหขอมวกญญานกายใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนของเรา ทิฏฐิกรรูปคทำด้วยความถือผิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภชภะทำมารมว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราก็าจะไล่ไปอย่างเนี้ยแล้วก็จะยกตัวอย่างช่นว่าเริ่มต้นก็จากรูปใช่ไหมไปยึดถือผิดว่ารูปเบรนรูปว่าถือผิดในรูปไปรูปทำความถือผิดในรูปว่า น, นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรา แล้วก็ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นั่นของเราเราเป็นนั่นๆเป็นตัวตนของเราเนี่ยต้องขยายกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนไปพิจารณาที่จริงตรงเนี้ยถ้าต้องการละทิถีเนี่ยท่านให้ไปไล่เริ่มตั้งแต่รู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็รูปเสียงกินรสโพธิภพธรรมรมเนี่ยนะแล้วก็ไปนู้นเลย จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็จ mm. ับขูสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสแล้วก็จับขูสัมผัสสัชาเวทนาโสตส no ัมผัสสัชาเวทนาคานะสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายะสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาไล่ไปเรื่อยไปจนถึงนู่นเลยรูปปัสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญาราษฎสัญญาโขดภพสัญญา แล้วก็ธรรมะสัญญาวนั่นของเราเราเป็น น, น, นั่นๆเป็นตัวตนของเราแล้วก็เป็นรูปคำเนี่ยรูปปะสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันธาสัญเจตนาระสาสัญเจตนาโพธุพะธรรมะสัญเจตนาว่านั่นของเราเราเป็นนัน่นนเป็นอัตตาของเราแล้วก็เป็นรูปคำอะไรอีกรูปปัญหาก่นนั่นนะ รูปปัตนฐาสัธาตนฐาคันตาตนานละสัตนานพูฏภาธาตนาและก็ธรรมะตนฐาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็รูปวิจารสถาวิจารรูปวิจารเงในนี้เรื่รูปวิจารเออรูปวิตก่อนเนาะรูปวิตก่อนแล้วก็สธาวิตกันตาวิตกละสัพพูฏภะและก็ธรรมาวิตกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราแล้วรูปวิจาร ศัท ธ, ธาคันธาราสาโพธิภพธรรมวิจารว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราแล้วก็ไปที่ทีไปรูปคำอะไรอีกอาโปาธาตเตโชาธาตวายโยา ธ, าาาธาตอาคาสธาตวิญญาณธาตบอกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่ น, นเป็นอาตตาของเราแล้วไปรูปหลักคำอะไรอีแต่เนี้ยถือผิดซึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับทั้งผื่ไตไรอะไรกลายเป็นน้ําลายน้ํามูกไขข้อมูดแล้วก็สมองศีรษะบอกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็น ตาของเราไปเนี่ยจับขวายาตนาและรูปขวายาตนาเลยก็ไปว่าไปอาญาตนาสิบสองทาสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสอง เ, เออเดียร์ อ, อินทรีย์อ๋อใช่ไปถึงปันยินทรีย์เท่านั้นพอเนาะนแช่ไปรูปไม่ถึงอันนั้ น, น, นคือโลกุตระไม่เอ า, เอาแล้วก็ไปแล้วอีกไปเกียนในเรื่องของการมาทา่ารู ป, ประทาแตรู ป, ประทา่ปปะทา การมาพบรูปประารูปประพเอกวโรประพบเจตัวกว่าไปนะแล้วก็เอาวิชาปฏิจจสมุปบาทเลยทีนี้ท่านก็มาสรุปตอนท้ายบอกว่าพอจบปฏิจจสมุปบาทเบีเสร็จแล้วก็บอกว่าในความก้มรุมทิฏฐิสิเป็นฉนัยทิฏฐิคตะทิฏฐิโรคชัดทิฏฐิกันดารทิฏฐิเป็นเสี้ยนหนามทิฏฐิวิบัติทิฏฐิเป็นสังโยชนิฏฐิเป็นลูกศรทิฏฐิเป็นความคับแค้น ทิฏฐีเป็นเครื่องกังวลทิฏฐีเป็นเครื่องผูกพันทิฏฐีเป็นเหวทิฏฐีเป็นอนุสัยทิฏฐีเป็นเหตุให้เดือดร้อนทิฏฐีเป็นเหตุให้เล่าร้อนทิฏฐีเป็นเครื่องร้อยรัดทิฏฐีเป็นเครื่องยึดมั่นทิฏฐีเป็นเหตุให้ถือผิดทิฏฐีเป็นเหตุให้รูปคำความกุ้มรุมหนึ่งทิฏฐีมีสิบแปดอย่างเนี้ยก็เป็นไข้หงนเป็นอย่างนั้นจริงไหมล่ะเราเนี่ยต้องมามนทิฏฐีเป็นที่ไปในข่าวเนี่ย แล้วก็โรคชัดเนี่ยเราออกจากมันไม่ได้กันดานด้วยเนี่ยตอนเนี้ยทิฏฐิเป็นเส้นหนามาทิฏฐิวิบัติเนี่ยนะเป็นสังโยชนร้อยเราไว้โดยเป็นลูกศรเสียบอยู่ที่ อ, อกเราอยู่นี่แหละแล้วยังถอดลูกศร น, นี้ออกไม่ได้เป็นความคับแคบด้วยเป็นเครื่องกังวลด้วยเป็นเครื่องผูกพันด้วยกังวลไหมล่ะทุกวันเราก็มากังวลกันอยู่นี่แหละเรื่องนุ้นเรื่องนี่อะไรสารพัดอยี่ทิฏฐิ ทิน่าเกลียดแท้ใช่ไหมก็เป็นเครื่องกังวลเป็นความผูกพันเป็นเหวเป็นความเป็นเป็นอนุสัยเป็นเหตุให้เดือดร้อนเป็นความเร่าร้อนด้วยเป็นเครื่องร้อยรัดด้วยเป็นเครื่องยึดมั่นด้วยเป็นเหตุให้ถือผิดเป็นเหตุให้โรคขามความพุ่มรุมสิบแปประการนี้แหละคือทิฏฐิจะเป็นอัาธาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสักยะทิฏฐิ สัตตติฐิที่มีกายะที่มีสักกายะเป็นวัตถุก็มีเนี่ยขันนี่แหละอุเชททิฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุอันตากาหิกาทิฐิปุกพันตาทิฐิอัปรันตทิฐิสังโยชโยชนิกาทิทิทิปกพันด้วยความมานะว่าเราทิทิปุพันด้วยมานะว่าของเราทิทิอันสมัยยุทธด้วยอัตตะวาทวาทิทิสมัยุทธด้วยโลกวาทะเะวทิฐิ วิภาวะทิฏฐินี่ทิฏฐิสิประการอย่างนี้ถามว่าสักยัตอสาธิฐิเนี่ยมีความถือผิดโดยการเท่าไรอัตานุทิฐิมิฉาทิฏฐิสักยัติทิฏฐิสัจจะทิฏฐิเนี่ยก็มีสักยะเป็นวัตถุก็มีขันหานี่แหละเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เป็นเครื่องผูกพันของเขาทีนี้ในบรรดาอสาถ้าทิฐิมีความถือผิดโดยการยังไงบอกว่าถือผิดโดยการยี่สบ้างถือผิดโดยการสิบบ้างถือผิดโดย โดยถือผิดอยู่ยี่สิบสัตตตถิทีมีสักกายะเป็นวัตถุ ก, ก็มีการถือผิดในโลกในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็โอ้โหรายละเอียดเยอะเลยเรื่องทิฏฐิตรงนี้นะทีนี้ปุรุชนเนี่ยไปสรุปอีกตรงเนี้อปุรุชนผู้ไม่ได้สะดับในโลกก็หมายความว่าไม่ได้เห็นพระรยาเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระรยาเจ้าไม่รับการแนะนาในธรรมของพระรยาเจ้า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 อันนี้ท่านกล่าวถึงอันท่านผู้ดชนในที่ไม่ได้สดับเนี่ยนะคือสดับแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วนย่ามันก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะใจมันถูกเสี้ยนหนามคือทิศทีเนี่ยดึงเขาไว้ใจมันก็ไปกังวลเรื่องอื่นหมดแหละมันไม่มาทางพระพุทธเจ้าแล้วไม่มาแล้วลักษณะอย่างนี้ก็เรียกผุ้ดชนที่ไม่ได้สดับฟังขนาดไหนก็คือไม่ได้สดับอยู่เนี่ยนะ ไม่รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษเห็นรูปด้วยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนแล้วก็เห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนบ้างเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผุุ้ชนเนี่ยย่อมเห็นโลกด้วยความเป็นตนอย่างไรเห็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นปฐวีธาตุในความเป็นตนคือย่อมเห็นปฐวีกสินและตนไม่เป็นสองว่าปฐวีกสินอันใดเราก็อัน น, นั้นเข้าใจเนี่ยนี่คือกลุ่มที่ไปเจริญปฐวีกสินพอไปเจริญไปเจริญมาเบเสร็จในที่สุดจริงๆได้ปฏิภาคนิมิตในปฐวีกสินนั่นแล้วก็เลยเป็นสำคัญว่าปฐวีกสินเนี่ยเป็นตนตนก็คือปฐวีกสินนะั้น อพาตอนคิดอย่างไง้ปฐวีกรสินมันก็เป็นไปตามความคิดของตนคิดให้เล็กมันก็เล็กคิดให้ใหญ่ก็ใหญ่คิดให้สว่างมันก็สว่างคิดให้หายไปมันก็หายไปคิดให้กลับมามันก็กลับมาย่อเล็กยกขยายใหญ่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะว่าปฐวีนั้นเป็นต้นต้นก็คือปฐวีขยายย่างถ้าบางคนคิดให้ต้นไม้ล้มต้นไม้ก็ล้มขยายย่างพอคิดให้สัตว์เกิดสัตว์ตายได้เนี่ยพร้อมบางพวก คือมั น, นมันเป็นเหตุประจวบเหมาะก็สําคัญว่าเห็นไหมไฟคัญเลยว่ะเนี่ยปฏวีเนี่ยเป็นตนตนเป็นนี่นถ้าอย่างนี้เห็นชัดหน่อยใช่ไหมเปรียบเสมือนเมื่อประทีปน้ํามันกําลังลุกโพรงอยู่บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้นแสงสว่างอันใดเปลวไฟก็อันนั้นชั้นใดนี่ไปเทียบกันได้หลักสูตรไอที่เราเรียนกันนั้นแรกจําได้ไหม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 สังขารกับเราเรากับสังขารวิญญาณกับเราเรากับวิญญาณอันเดียวกันเลยแยกไม่ออกเลยทุกวันเนี้ยออกไหมเป็นอย่างนั้นไหมล่ะแล้วมันแยกกันได้มเนี่ยแยกได้ไหมันแยกไดแต่ไม่ต้องแยกเพราะมันไม่มีมันมีอยางเดียวมัได้มีแล้ใช่ไหมคือไปสําคัญใช่ไหมไปสําคัญว่าเรากับรูปเป็นอันเดียวกัน ไปสำคัญว่าเรากับเวทนาสัญญาสัญการวิญญาณเป็นอันเดียวกันเหมือนเปลวไฟกับแสงสวานี่สําคัญผิดอย่างนี้ก็เรียกมิจฉาทิถีนี่นี่ก็ฐานอันนี้ก็ฐานมิจฉาทิถีฐานเข้าใจผิดแล้วคิดอย่างนั้นจริงไม้มไม่โดยข้อเท็จจริงที่บาาว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้น่ะจะได้รู้ว่านี่คือสักกายทิถีนี่คืออัตตาทิถีอันนี้คือมิจฉาทิถี อันนี้คือรคชัดคือทิฏฐิกังดานคือทิฏฐิลูกสอนคือทิฏฐิสังโยชน์ก็คือทิฏฐิเครื่องร้อยรัดก็คือทิฏฐิอนุสัยก็คือทิฏฐิ <He el. S 1> ใช่ไหมเหวคือทิฏฐิเ <He el. S 1> นี่ยมันาจะกลายเป็นอย่างเนี้ยเราก็ไปเข้าใจผิดอยู่เนี้ยนะคาว่าเราในที่นี้มันเป็นตัวทิฏฐินะ เวทนาน่ยมีอยู่จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่จริงแต่เราไม่มีอยู่จริงความสําคัญมันหมายว่าเราน่ยมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมความสําคัญผิดทั้งหลายเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอกแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่จริงไหมอย่าไปสถาปนาเราขึ้นมาเนะยถ้าสถาปนาเราขึ้นมาเสร็จเนียก็แปลว่ามันมีซ้อนกันอยู่แล้ว ระหว่างเรากับรูปเรากับเวทนาสัญญาสังขารอิริยาญนี้เข้าใจอย่างเดีนี้เอาเข้าใจฐานนี้ก่อนใช่ไหมนัเข้านัดเข้าพราะมันไปมีเราขึ้นมาเนี่ยพอรูปนั้นเด่นชัดขึ้นมารูปนั้นก็คือเราเอาไปเพ่งอะไรขึ้นมาเออไปเพ่งดินขึ้นมาทําดินเให้เป็นให้ให้เป็นปฏิภาคธนิมิตขึ้นมามันก็คือเราอ่ะไปเพ่งน้ําให้เป็นปฏิภาคธนิมิตกันน้ําก็คือเราไปเพ่งไฟเป็นปฏิภาคอนิมิตไฟก็คือเราที่ไ่เข้าใจแบบนี้มันผิด หรือว่าพิงโลพิงลมให้เป็นปัฏิภาคคนิตขึ้นมาก็เป็นเราใช่ไหมหนักเข้านักเข้าเนี่ยถ้ารายละเอียดขึ้นมาไปจับว่าผมเป็นเราขนก็คือเราเล็บฟันหนังเนื้อผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตตับทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองดีสเสเลตหนองเลือดเหนือไปต้นเหล่านี้นกับเรามันเลยเป็นอันเดียวกันหมดเลยมองเห็นอย่าง ถามว่าฐานนี้ฐานได้ยังเนี่ยใช่ไหมอันนี้วันที่สอง <S <S <S ใช่ไหม <S <S ตรงนี้มันจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิฏฐิตรงเนี้มันคือความเข้าใจผิดแล้วมันพิสดาร น, นะไอ้ที่ดูเหมือนรู้เนี่ยดูเหมือนเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวก็แวบเข้ามาเห็นไหมมันก็โพไวเห็นอยู่เรื่อยนี่แหละสังเกตุไหมโพก็อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่คือทิฏฐิ ด้วยการที่เราไม่หมั่นมนติการกันให้รอบข้อบอยู่จะเป็นโทษนี่นะนี่มันจะเลยไปเข้าใจผิดอย่างนี้ก็รูปคำคือมันถือผิดทิศที่นี่ปัญหาก็คือบอกว่าปฏิวียนใดเราก็อันนั้นเราก็อันใดปฏิวีก็นั้นทิศที่คือความรูปคด้วยความถือผิดนี่นะทิศทีไม่ใช่วัตถุใช่ไหมวัตถุ ก, ก็ไม่ใช่ทิศทีทิศที่เป็นอย่างหนึ่งไหมวัตถุเป็นอย่างหนึ่งไหม ทิศทีแล้ววัตถุนี้เป็นอัตตานุทิศที่ที่หนึ่งที่ว่ามีรูปเป็นวัตถุทิศทีนี้เป็นอย่างหนึ่งหรือเป่าไอ้วัตถุเกี่ยวกันในเรื่องของรูปนี่เป็นออย่างหนึ่งหรือเป่าคนละอย่างเลยไหมทิศทีกับรูปเนี่ยทิศทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทิศทีเป็นเจดศิษเป็นมิจฉาทิศทีเกิดร่วมกับโลภะมันไปยึดมั่นว่ารูปนะไปยึดนามยึดรูปอยู่ไหมไปยึดอะไรเป็นสำคัญว่าเป็นตัวเขา ไอตัวทิฐิเนี่ยมันสำคัญมเป็นตัวเขาเองเลยทิฐิก็อุปโติลงขึ้นมาเป็นเราแต่จริทิฐิมันไม่ใช่เรามันคือทิฐิมันคือสภาวะทำอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละมันเกิดร่วมกับโลภเกิดร่วมกับมานะเกิดร่วมกับเจตสิกธรรมอื่นๆแล้วกเกิดจากเหตุปัจจัยตรงนี้เขาให้วิจัยทิฏฐิตัวนี้ตัวทิฏฐิตัวนี้ที่วิจัยอะ่ะให้ไปสังเกตดูในตัวเชื่อมโยงในมหาจัตตารีสกัดสูตร ท่านบอกว่าให้วิจัยโดยโดยอะไรโดยปัจจารลักษณะและสามัญลักษณะแต่ท่านบอกในนั้นบอกสามัญลักษณะต้องเข้าใจต้องเข้าใจปัจจิตาเขาก่อนลักษลักษณะลักษณะปฏะยุติ ป, ปฐานประทักษฐานของทิฏฐิใช่ไหมว่าทิฏฐิเขามีลักษณะขเขามีสภาพที่ว่ามีสภาวะในการถือผิดใช่ไหมมีการถือผิดจากสภาวะตามความมีจริงเป็นลักษณะของเขาเขาต้องถือผิดถ้าไม่ไดถือผิดไม่เรียกทิฏฐิแต่ทิฏฐิเขาต้องมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือไม่ต้อง เขาจะต้องไปยึดผิดแล้วก็จะต้องไปเห็นผิดนี่ก็เป็นงี้ฉะนั้นทิฏฐิเอามาวิจัยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ตัวอะไรไปวิจัยสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสมาสติใช่ไหมสามตัวเนี่ยสัมมาทิฏฐิไปวิจัยดูปัจจักรลักษณะเขาให้ชัดในขณะที่ไปวิจัยอย่างนั้นตัวนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดพอสัมมาทิฏฐิเกิดก็ไปแวดล้อมสัมมาทิฏฐิไว้เพียรพยายามจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิ เพียรสติก็ระลึกเพื่อจะเข้าถึงสมาธิติเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิทั้งทั้งทั้งคือวิริยะกับเพียรละมิจฉาทิฏฐิสติก็เพียรระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิว่าเข้าถึงสมาธิติเหมือนกันสมาธิติสมาวิมะสมาสติก็แวดล้อมสมาธิติไว้ขยายวงของสมาธิให้กว้างขึ้นขยายยังไงอ้าวมีสมาธิในรูปหรือยังถ้าชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วก็ไปเวทนาไปสัญญาไปสังขารไปวิญญาณ มอาหมดทียางเอาไปจากรูประสาทไปตาวหูจมูกลิ้นกายใจไปรูปเสียงกลิ่นรสสมผัตแล้วทำอารมณ์ไปวิจัยไปเรื่อยๆต้องขยายวงของทิฏฐิออกไปก็มันยังมืดมันยังไม่เคยทําปริญญาเรื่องเหล่านี้เลยเขาทําอย่างนี้ไม่ใช่ใช้ตัวปัญญาอย่างเดียวนะใช้ความเพียรด้วยใช้สติด้วยก็ไปวิจัยไปเรื่อยๆเขายะยังแต่เนี้ยมองเห็นไหมมองเห็นรูทางของสมัยทิฏฐิไร่ไร้หรือยั มันก็ทําอย่างนี้แต่เราขี้เกียจกันไม่ทนะําำไม่ยอมทํำกันอยู่ฮะตอนนี้เห็นทิศเห็นทางแล้วไปทำเสียไปวิจัยเสียถามว่านั่งวิจัยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเราจะเข้าใจว่าธรรมของพระเจ้าไหมใช่ไหมนั่งวิจัยไปสินอนก็ได้จะอย่าหลับ ใช่ไหมครตรงนี้ถึงบอกไงบอกนี้แหละที่ผมบอกว่ามีรูปเป็นว่าตัวอตานุทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัตินะบุรุษบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอัตานุทิฏฐินี้ย่อมมีคติเป็นสองสัตว์ในโลกก็สัตว์ได้ไดชไดชใช่ไหมไปดิสมาทานด้วยจะได้สมใจใช่ไหมได้คติสอง แต่ในนี้ก็ไม่บอกไว้เรามาไปเจออะไรที่มีคติเป็นสองนั่นแหละสมาทานไม่หยาดทิฏฐิเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไอ้สิ่งที่เราเย็ดทตัว น, นี่ยไม่ได้เราจะไปได้คติสองคือนั่นแหละสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานท่านว่าไ น, น, นี่พุทธพจน์แต่ในนี้ไม่กล่าวนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์เป็นทิฏฐิ อตอนนี้ก็ไปไล่ไปอาโปนะ ม, มีติเป็นสองนี่นะข้อประชนย่อมเห็นโลกด้วยความเป็นตนอย่างรอย่างที่ข้อนี้ตอนนี้เข้าใจนะเนี่ยไปไล่ไปตามลำดับเถอะไปไล่ไปปตวีอาโปเตโชวายโยเนาะไปไล่ไปอย่างงั้นนนะ เอปุตุชนย่อมเห็นปุตุชนย่อมเห็นตนว่ามีรูปเนาะย่อมเห็นตนว่ามีรูปเมื่อกี้เห็นปุตุชนย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนใช่ไหมคือย่อมเห็นปฐวีธาตุโดยความเป็นตนคือย่อมเห็นปฐวีธาตุและตนน่ยไม่เป็นสองอันนั้นว่าไปแล้วเนาะต่อไปก็คือย่อมเห็นตนว่ามีรูปเห็นเห็นอะไรดี เห็นตนว่ามีรูปนี้ไปเห็นอะไรเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตนนี่ท่านแสดงอีกมุมเลยเนะ่ยเขามีความแบบนี้แหละเป็นตัวเป็นตนเราแต่ตัวตนของเรานี้มีรูปมีรูปด้วยรูปนี้เห็นไหมเอาเวทนาสัญญาสังขารมายึดรูปอีกทีเห็นรูปด้วยความเป็น เออเยอะๆประชาชนย่อเห็นตนเห็นตนว่ามีลูกเห็นเวทนาว่ามีรูปเห็นสัญญาว่ามีรูปเห็นสังขารมีรูปเห็นวิญญาณมีรูปเอีย ถ, ถ, ถ, ถ้าเนี่ยที่บ้านในในยานี่มองชัดขึ้นก็หมายความบอกว่าย่อเห็นยตัวเวทนาเวทนานี่เกิดร่วมกับทิฏฐิเจ๊ะทิฏฐิก็ไปยึดออกว่าตัวเวทนาเนี่ยมันไม่เนะียตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวนี้ เขามีควาเห็นว่านี้แหลเป็นเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีรูปโดยรูปนี้มีรูปโดยรูปนี้ชื่อว่าย่ำเห็นตนมามีรูปเปรียบเสมือนต้นไม้มีเงาบุรุษก็พูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาเป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้มีเงาด้วยเงานี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนว่ามี เห็นต้นไม้ว่ามีเงาแขนใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างวันนี้แลเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีรูปด้วยรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตน ว, ว่ามีรูปทิฏฐิคือความรูปคําด้วยความถือผิดทิฏฐิไม่ใช่วัตถุนะวัตถุก็ม่ใชทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่ประการต่อไปบุตรชนย่อมเห็นรูปในตน ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดยความเป็นตนเขามีความเห็นบอกว่านี่แหละเป็นตัวเป็นตนในตัวตนนี้มีรูปเช่นนี้ชื่อว่าย่อมเห็นรูปในตนอันนี้มีรูปเช่นนี้นะเช่นปฐวีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมยกตัว อ, อย่างเช่นเปรียบเสมือนดอกไม้มีกลิ่นหอม บุรุษพูดถึงดอกไม้นั้นอย่างนี้นี่ดอกไม้นี่กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นหอมก็เป็นอย่างหนึ่งแต่กลิ่นหอมนั้นก็แล่อยู่ในดอกไม้นี้แหละเจ้าเห็นกลิ่นของดอกไม้ชั้นใดบุคคลบางคนนี่ก็ฉะนั้นเหมือนกันก็เห็นละลายก็เห็นเวทนาะเห็นสัญญาเห็นสังขารวิญญาณเดียวกันเป็นตนเขามีความเป็นนี้แหละเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตัวตนจะมีรูปเช่นนี้ยากไหม เดียจะไปใคสลบให้ฟังอีกทีเนะเดี๋ยจะสลบให้ฟัอีกทีนี่ฟังคนตนไปก่อนเนะี่ยคนชนย่อมเห็นตนในรูปอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารมีญาณในความเป็นตนเขามีความเห็นว่านี่แลเป็นตัวเป็นตนแต่ตัวตนเนี่ยอยู่ในรูปนี้ไอ้ตัวตนไปสิงอยู่ในรูปแล้วแต่นี้นะ่เนาะตัวตนเนี่ยก็เห็นตนเห็นตนในรูปไง ว่า อ, อยู่ในรูปนี่แหละว่าตัวตนในรูปเนี้ยเปรียบเสมือนแก้วมันีที่ใส่ไว้ในหีบนี่ชัดนะบุรุษพึ่งพูดถึงแก้วมันีอย่างนี้วันนี้แก้วมันีนี้หีบแล้วก็แก้วมันีป็นอย่างหนึ่งหีบเป็นอย่างนหนึ่งตรงนี้มันชัดนะจริงๆนะถามว่าหีบเป็นอย่างหนึ่งไหมแก้วมันีเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมทัานเวทนาสัญญาสังกาวิญญาณเป็นอย่างหนึ่งไหมรูปเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมแสดงเวทนาสัญญาสังกาวิญญาณใส่ลงในรูปใช่ไหม เหตุเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยแม้แต่จริงๆคนไปเข้าใจแบบเนี้อ่ะมันเหมือนหีบ嘛หีบเหมือนโลกไอเวทนาสัญญาสังขารยัญเหมือนกบแก้วมันีที่ใส่ไว้ในหีบเราก็คิกว่าโอ้มันมันมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ใช่ไหมมันเป็นสิงอยู่ในโลกอ่ะสังขารอย่างนี้เลยเอาเครใครคิดแบบนี้ไหมเคยใช่มหมยิดมไปสิงตรงไหนเดี๋ยวไปผ่าดูอะไรยุ่งเลย นี่นี่เห็นผิดนะเพราะจริงๆแล้วเขาเกิดดับแล้วที่ว่าอาศัยอ า, าศัยเขาก็ไม่ได้ไปอาศัยกันโดยการไปสิงอยู่ด้วยเมื่อตัวตนมาจับได้ที่ไหนแล้วมันเป็นสภาวาะธรรมชนิดหนึ่งแม้รูปและกัน้ำต่างๆเหล่านี้โอมันขนาดนั้นเลยนะแล้วใครจะไปเข้าใจยังไงขนาดเนี้ยถ้าไม่ใช่ศาสตร์พญายานี่ที่ไปเข้าใจหเนี่ยเขจะไปเข้าใจยัจไจยงไงประชาชนที่ไม่ได้สดับเดยแล้วหมดสิทธิ์เข้าใจเลยเรื่องนะี้ ใช่ไหมจริงทั้งสองอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยอย่าอย่าลืมคำว่าปัจจัยนะอย่าลืมกำ ว, นะว่าเหตุปัจจัยงั้นร่วงเลยการเขาจะอธิบายเรื่องที่ทีเนี่ยล่วงกันทีเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้งั้นเวลาจะอธิบายเรื่องนี้าาต้องอธิบายปฏิยาการแต่ทำอธิบายปติจจะด้วยซ้ำไปตรงเนี้ยไม่ใช่อธิบายแค่อย่างนี้อย่างเดียวต้องเชื่อมโยงปฏิจัยเขาเห็นว่าว่าทิฏฐิเนี่ยเกิดยังไง มีอะไรเป็นบัดจ็บนอันนี้ท่านอธิบายว่าชาัดว่าแก้มันนีเหมือนกับกลิ่นดอกไม้กับดอกไม้ใช่ไหมคนละอย่างคนละอย่างเลยอะไรเนะี่ยแล้วก็เวทยนาสัญญาสังขารวิญญาณดูความเป็นตนเขามีความเห็นว่านี้เป็นตัวเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี่มีอยู่ในรูปนี้ ชื um, ่อว mm ่า hmm. ย่อมเห็นตนในรูปเห็นตนในรูปเนี่ยไปเห็นว่ามันสิงอยู่ในรูปนัแต่ตัวตนของเรานี้อยู่ในรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนอยู่ในรูปทิฏฐีคือความรูปคำด้วยการถือผิดทิฏฐีก็ไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐีทิฏฐีเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตตาโนทิฏฐีที่สี่ซึ่งมีรูปเป็นรูปเนี่ยเป็นเป็นวัตถุอัตตาโนทิฏฐีเป็นวิฉาทิฏฐีเป็นสังโยชต์แต่ไม่ใช่ทิฏฐีเนาะ ปุโรชย่อมเห็นตนในรูปอย่างนี้เอาต่อไปก็คือปุโุชนย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตนอย่างไรนี่ว่าเวทนาเวทนาโมหมุนีกทีเลยเอาเห็นเต่อไปไม่ใช่ไปว่ารูปแล้วแต่เนี้ยเอาเห็นตนในเวทนาอย่างไรพวกนี้เห็นจักขู่สัมผัสสัจชาเวทนาเป็นต้นเห็นเวทนาทางทวารตาเวทนาทางทวานหูทางทวานจ่หมูกทางทวานลิ้นทางวารคายทางทวารใจทางเวทนาเกิดทุกทาง ทางตาของหมูกเลี้ยงใจใจเกิดหมดไหมนี่ยถ้าเกิดทางใจก็เริ่มมโนสมบัติสัจเวทนาแล้วก็ตนเนี่ยไม่เป็นสองเห็นอย่างนั้นเลยไปเห็นในเวทนากับตนเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยไม่ว่าจะเวทนาจะเกิดทางตาทางหูทางจมูกด้วยพวกนี้เลยมากก็ไม่ค่อยแยกนะพวกที่สําคัญผิดเนี่ยเขาแยกไม่ถูกหรอกแยกไม่เคยถูกหรอกแต่พอแยกแยกไปออกมาจริงๆเขาก็ยังไปเห็นว่าเป็นเป็นตัวเขาเลย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 มันไปยึดใช่ไหมมันไปเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวเวทนานเราเวทนาทางตะวนันห <c oughs> <c oughs> ูเนี่ยเวทนาไม่เลยประกาศเอยติทีเดียเที่ยวไปประกาศใช่ไหมพ่าเป็นเราเนี่ยติทีเนี่ยเขาเขามีหน้าที่อย่างเดียวแท้ๆนะทําทยังไงไปโรคคำให้มันผิดก็ว่าไปปิดบังให้มันผิดคก็ว่ามันความจริงเป็นอีกอย่างแลก็ให้ให้เราเห็นอีกอย่างน่เกลียดไหมงั้นต้องลาเสียนะ งลเสียใช่ไรละอยังไม่ได้โสดาปฏิมาเอาไรละก่อนวิปัสนาวิปัสนามีอะไรเป็นประธานเนไหมยัเาตอบไม่เถูกเลยสมาธิอสมาธมีอะไรเป็นประธานมีสุขมีปัสสัทธิใช่ไหมมีปีติมีปลามโมดแล้วก็มีศีลเนี่ย ตรงนี้เราก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วอุสมาธิจะเกิดอยู่ๆอุ้ยปัญญาจะเกิดแล้วลการฟังเนี่ยทาไม่เข้าใจตรงนเนี้นะณที่จริงถ้าถ้าถ้าศึกษาต้องเอาเอามาวิจยัยอย่างนี้ถึงจะเข้าใจถ้างนี้จะเริ่มมองเห็นกว้างขึ้นไหมเริ่มเข้าใจวิจยัยทิฏฐิมากขึ้นเนี่ยนี่ประการต่อไปก็คือว่าเปรียบเสมือนประทีดน้ํามัน กำลังลุกกำลังลุกโรลงอยู่นี้บุคคลก็เห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็นั้นแสงสว่างใดเปลวไฟก็นั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เห็นนั่นแหละเวทนาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นต้นเห็นเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและตนไม่เป็นสองเราอันใดนะเราอันใดกับเวทนาก็นั้นแหละ ทิศทีคือความรูปคำคือความถือบิดเนี่ยทิศทีใช่วัตถุไหมทิศที่อะไรคือวัตถุนะทิศใช่ไหมทิศทีกับว่าถูเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมวัตถุหมายถึงว่าสิ่งที่ทิศทีไปรูปคำอ่ะหรือสิ่งที่ทิศที่ไปถือเอาอ่ะทิศทีมันถือได้เยอะมากเอาอีกนี่มองมานี่นะเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ย พอมองมาปุ๊บถ้ามองในทิศถีปุ๊บเนี่ยมันจะมองด้วยความเห็ผิดเลยเขียนเป็นหนังสือไปได้เห็นไหมมองเป็นหนังสือว่างเนี่ยเอ็นไหมมันมันมันผิดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแนละ้วในจังหวัดเนี่ยก็อมองได้ยังไงมองดินนะ่ะน้ำไปรวมเป็นลูกประหลาดไหมนะประหลาดแท้พวกมันความจริงใช่ที่ไหนเล่าใช่ไหม <eye S 2> อ grown, มองดินน้ำไปลมเป็นสามีอย่างนี้มองด okay ินน้ำไปลมเป็นพ่ออย่างนี้มองดินน้ำไปลมเป็นแม่อย่างนี้แล้วหนักไปเลยมองดินน้ำไปลมเป็นเหล่าโหหนักเลยที่เมอเห็นเห็นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่พิจารณิติใช่ไหมพิจาทณิติเนี่ยใชเวลาใครบอกอะไรให้เรายึดอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าแว่นเขาแว่นใช่ไม่ทีเขพูดอย่างอื่นไม่ยอมรับเลยลองไปบอกวันนี่คือผมถ้าใครไปพูดอย่างอื่นไม่เชื่อนะ ก็มันผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตาหนี่หูนี่จมูกนี่ลิ้นเนี่ยทิ่ทีก็ไปยึดไปหมดแล้วไม่ไยึดแค่นี่คือตาแค่นั้นนะมันของเราของเขาอยู่างนี้ลองไปไล่ดูสมมตินะเราบอกว่านี่ลูกเราใช่ไหมเราลองไปไล่อย่างนี้นะวิธีไล่เนี่ยเข้าไปดูเนี่ย ที่ว่าลูกเราเนี่ยทิทีอา้านั่งคุยกับทิทีดูเนี่ยตาของเขาใช่ไหมใช่หไหมถ้าเป็นลูกเราเนี่ยตาตาตาเนี่ก็เป็นตาของเราเลยเนี้ยตาของเขาก็เป็นตาของเราอยู่นะหูของเขาก็เป็นหูของเราจมูกปากลิ้นไล่ไปผมขนเล็บฟันเนี่ยไล่ไปที่ไล่ทุกทีในตัวเขาให้ทิทีมันเที่ยวเที่ยวดูดิให้มันยอมรับให้หมด มันจะได้ดูอ๋อฮะมันไปยึดจนมันมันคล้ายๆมันมั่วหมดแล้วทีฏฐิมันเข้าไปลูกคำไปหมดแล้วปัญญาไม่เคยทํางานเลยแล้วไปเข้าใจเป็นปัญญากันอยู่นั่นแหละใช่ไหมเรื่องไม่ได้นั่งคิดแล้วตรึกวิจัยดูยสัทีเนี่ยถ้ามีวิจัยจริงๆจะเห็นว่ามันไม่ใช่ัมไม่ใช่หรอก ให้สังเกตดูนะว่ามหาพูมหาลูรกนี้เราเก่งใจแต่มหาพูธรูปนี้เราไม่เก่งใจใช่ไหมก็เนี่ยมหาพูธรูปที่นั่งๆอย่างนี่เรามีความเก่งใจมหาพูธรูกไม่เท่ากันแล้วเรามีความเออเรามีเมตตาต่อมหาพูธรูปนี้ก็ไม่เท่ากันเรามีกรุณาต่อมหาพูธรูปเหล่านี้ก็ไม่เท่ากันเรามีมุทิตาต่อมหาพูธรูปเหล่านี้ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมนี่นี่ด้วยความที่ทิฏฐิมันไปจัดสรรไว้ให้ เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยวิจัยกันเลยอ่ะว่าอันนี้เป็นความเห็นแบบมิจฉาทิฏฐินะนี่เป็นสมาธิที่นี่ต้องไปนั่งจิ๊วิจัยดูดินั่งคิดดูดิเราจะเห็นชัดเลยว่าไอตัวมิจฉาทิฏฐินี่มันทํางานทุกทุกขนาดทุกขนาดจิตโดยส่วนใหญ่มันก็เข้ามายึดติดทุกหมดเลยแล้วพอคุยอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไปนั่งขมเพราะมันเป็สิ่งที่มันยึดไว้อีกเยอะ ที่เรายังไม่เคยไปวิไปกระจายหเห็นหน้าเห็นตาก็เลยมันอีกเยอะงั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิพิสดารทั้งหลายเนี่ยไปวิจัยเยอะๆก็ไปทำเามาเราประโยค้าวิวปลิตมานั้องเยอะๆก็วิปลิตมานาซิการมาอย่างยาวนานแล้วนะแล้วเรามายึดอะไรเนี่ยมาระยะหลังเนี่ยบางทีมา ไปคุยขัยมอะไรต่างๆที่เป็นญาติๆไปพอฟังๆมันมาเดินหนีพุกเลยเนี่ยไม่ให้เหตุผลแล้วเดินหนีแล้วรู้แล้วไม่ผลิตมักสิการเยอะแล้วมันไม่ก็อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังพวกเราก็ทำอย่างเดิมาไม่ได้มาแล้มาดีแล้วเป็นพระเราทเดินหนีปุ๊บปุมีปัญหาพอเรารู้แล้วโหนี่มือเฉธรรมดาเลยความเป็นตัวเป็นตนเต็มไปหมด ก็ขนาดนะมีโยมอยู่ท่านหนึ่งท่านอามาบวชใหม่นีลก็พอมาเรียนเรื่องทิฏฐิเนี่ยมันเกือบยี่สิบปีแล้วทั้งนั้ก็มีวินาบัตรก็เอาแต่ฝนก็ตกเอาเป็นตัวถวายท่านมาทั้งทั้งทั้งทัเสาทานมากรับรเสร็จท่านมาเดินก็มันเหมือนจะล้มมันโอ้ยแกร้องเสียท่านระวังดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกงอกหมด ไอ้มาก็ย hey, ืนไอ้มาสระหารกับอะไรย่อมนี่ถวายยังถวายแล้วเอ้าไอ้มาจะล้มมันเรื่องไอ้มาไอ้มาจะจะจะจะไหมจะเจ็ดโจดิก็ไม่ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไม่ได้ฉันก็ย่อมถวายยังว่ถวายแล้วถวายให้แล้วทําไมห่วงให้แล้วยังให้แล้วให้แน่นนะ แน่งนอะมาโยนทิ้งนี่อุ้ยท่านทางั้นตด้ไามถามให้ได้ยังให้แล้วงั้นอะไมาโยนทิ้งอุยไม่ได้ท่านให้รือยันทามาถามือแกเยอะมากให้แล้วให้จริงๆลยเนี่ยจริงจราแสดงเป็นข้อธรรมะใช่ไหมแล้วยกตัดความผูกพันธรรมะได้มอย่าอย่ามายึดตรงนี้ได้ไหมว่าเป็นของยมหนึ่งให้อาตมยึดได้หว่านี้เป็นพอธรรมะก็อยากให้ท่านได้ฉัน แล้วยังงั่นแหละไอความอยากนั้นเป็นโลภนั่นเป็นความเห็นผิดแล้วก็นามมองนะวดปคุยกับท่านปวดหัวเพราะบอกไออารมาก็ปวดหัวเดีวยวคุยกัโยมเนี่ยต้องเห็นเห็นเลยนะเนี่ประเภทที่อารมาก็จะโยนทิ้งเขาก็ก็จะปวดอารมาก็จะส่ ง, ง, งเงัินโยมมาไปก็บอกว่ให้ทัานแล้วไม่ออกไม่ได้เอาให้จริงก็พอจริง มื่มาเททิงเนี่ยท่านอย่าทำอย่างนั้นเขาใหญ่ยังไเนี่ยทมันยึดทันทีเลยมให้ปั๊มยึดทันทีเลยไม่ต่อเนี่ยไม่ด้อะไรเราเมื่อวานก่อนวันก่อนก่อนนี้ยอมเขามานั่งเขาเาบอกว่าเขาไปขอไฟเลยนะเรยอมไปทำบุญก็ยอมศึกษาว่าทำอะไรนั้นทำบุญกันดี่ว่าอยากได้แค่เพื่อนคอยจ้องฟาดฉันอะไรของเราโอรโห จ้อปกคงองเราไม่กินแล้วกินเยเข้าใจไหมมันถอดไม่ได้ทำไงเราทิดทีมันยึดแล้วมันเข้าไปยึดแล้วเอออธิบายกันจังอธิบายกันไปเถอะผมรู้จะทำยังไงถ้าเป็นโลกเต็มเลยนอนเต็ม ไม่ไม่ฉันก็ไม่ได้ย้อมจะโกรธอ๋อใช่ยังงั้นพอดีก็เป็นอประเดนหนึ่งแต่แต่ให้เป็นไปกับปัญญาให้เป็นไปกับศรัทธาที่แท้จริงแค่นี้อุชาดีอันนี้หมายถึงโดยทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเท่าไรหรือศึกษาเท่าไรจะเริ่มสังเกตเนี่ยใช่ไหมไม่ได้สังเกตใจว่าจริงจริงเป็นยังไง เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องสังเกตต้องมานาสิกานต้องไข้ควรให้ดีไม่งั้นเราไม่รู้จากหน้าตาไม่หรอกอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติเนี่นที่อาจายมาพูดเนี่ยภาคที่ต้องมาไข้ควรกันไปพิจารณากันได้จริญปานก็ว่ า, าไปมันกระจกไม่มีอะไรหรอกแา่มาก็อธิบายเยอะและ้วเหนื่อยแต่ว่าตรงนี้ต้องการพูดให้เข้าใจว่าจริงๆอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรไปพิจารณาว่าเองเป็นอย่างนี้ไหมถ้าความคิดอย่างนี้เรถอดดีได้ เช่ไหมก็เอจอย่ก็แต่เชื่อไม่มถ้าว่ามีใครรอกของว่าถวายแล้วโยนโครมทิ้งเนี่ยโยมน่าจะไม่มาอยู่ถ้าอะไรก็ไม่รู้โยนบอกพอพอถวายปุ๊บมี่โยนกับข้าวของโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาเลย เนะี่ยตรงนี้ก็คือนี่แหละคือว่าความรูปขลังแตจริงๆนี้ที่พูดให้ฟังที่พระท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกที่นั้นเขารู้จักที่จะรักษาสตางค์โยมแต่ว่าผููให้ฟังในกรณีที่ว่าเออมันยึยดหรือว่าเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับสตางค์บุตรชนเป็นอย่างนี้แหละมีอัตราโนทิถิคือมีมีรูปเป็นวัตถุบ้างเนะี่ยประธานต่อมาคือบุตรชนเห็นเวทนาดูวความเป็นตนอย่างไร เออไม่ใช่ผุ้ทชนย่าเห็นว่าตนมีเวทนาอย่างไรเห็นตนว่ามีเวทนาอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นสัญญาสังขารยินญาณรูปโดยความเป็นตนใช่เอาสัญญาสังขารยินญาณรูปโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้แล้วว่านี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ว่าตัวตนของเรานี้มีเวทนาด้วยเวทนานี้ ชื่อว่ า, en, วาย่อมเห็นตนามีเวทนาเปรียบเสมือนต้นไม้มีเงาบรุดพึงพูดถึงต้นไม้อย่างนี้ว่านี้ต้นไม้มีเงาของต้นไม้เป็นอย่างหนึง่งเงาเป็นอย่างหนึง่งแต่ว่าต้นไม้ น, นี้มีเงาด้วยเงานี้ชื่อว่าย่อมเห็นต้นไม้ว่ามีเงาชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนการเห็นสัญญาสังขาวิญญาณเห็นรูปโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างวันนี้นแหลเป็นตัวเป็นตอนอเวทนาเป็นตัวตั้งแล้วเอไปหมุนเอาไปเป็นไปกระทบกันกับอารมณ์ ที่เล็สี่นะวัตุที่เล็กสี่อันนี้จริงๆเขาไล่ไปเยอะเลยนะไล่ไปจนครบวงจรของเขาเนะี่ยไม่แค่ที่ทีเนี่ยนะโอ้ไล่ไปเยอะเลยทีนี้ก็จะจะไม่ขยายตรงนี้แล้วเนาะมันจะเยอะไปเนาะนี่พอจะเข้าใจแบบคร่าวๆแล้วเนะี่ยทีนี้ประการต่อมาก็คือประการต่อมาก็คือในที่นี้เป็น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 แต่ว่าตาของเรานี่ยไปยึดไปยึดตาว่าเป็นของของเราเนี่ยแยกไปผูกพันผูก พ, พันด้วยมานะไม่มาน่าที่เกิดร่วมกับเอามาน่าเนี่ยนะมาน่านี่จริงๆแล้วเขาก็นั่นแหละคุนเปี่ยนคนเปี่ย น, เยนงเวียนอยู่ด้วยกับที่ถีนั่นแหละผุ้ดชนไม่ได้สดับเห็นไม่ได้เห็นพริยาเจ้าเป็นต้นไม่ได้รับฟังธรรมนะ ไม่รับการแนะนําเป็นตนอย่างย่อเหนอเ็นรูปด้วยความเป็นตนบ้างย่อเห็นว่าตนว่ามีรูปบ้างเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปบ้างเห็นเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณก็นในญ่าเดียวกันก็ไล่ไปตามลําดับอีกตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆไปขยายตรงนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษูทั้งหลายเทวดาและมนุษย์โูรถูกเทตีสองอย่างกุ้มรุมแล้วเนาะ พวกหนึ่งย่อมติดอยู่พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไปอเอาแล้วตรนี้สส่วนอีกเลยนั่นแหละทั้งคือทิฏฐิที่ถือส่วนสุดว่าสัตว์โลกเบื้องหน้าแต่ตายก็ตายไปแต่เป็นตัวเรื่องถืงว่างี้ถือผิดนะพวกติด ก, กับพวกแล่นเลยเทวดาล้ำนุษนะพวกหนึ่งติดอยู่อย่างไรเทวดา และมนุษย์ผู้ชอบพบยินดีในพบบันเทิงในพบจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แหลกไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมในธรรมที่เราแสดงเพื่อความดับพกพิกษุดต่างหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมติดอยู่อย่างนี้พัวนี้ติดอยู่ด้วยอำนาจของปัญหาติดอยู่ด้วยอำนาจของกามสุขขันลิการนโยมแต่ตรงนี้เตนไม่ได้ขยายไว้อะไรมาเพิ่มไหมแต่เพิ่มไม่ผิดนะอาจารย์ที่ขาดทั้ เขาออกมาเ่ิ่มอีกพวกติดอยู่ในภพติดเพื่อนาดของตัณหาเขาจึงเรียกว่าอัดการมอสุขารีการโยโยพวกนี้พระเจ้าแสดงธรรมไม่ไม่ไม่สนใจความเพราะเขาอะไรเพราะเขาติดอยู่ใช่ไหมพระเจ้าอบัตรเกิดขึ้นมาเขาสนใจเอ้าระหว่างสนใจลูกก็นสนใจพระพุทธเจ้าสนใจรับก็นสนใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าอันไหนมีอันไห น, น, น, น, นประทับใจกว่ากัน เราไปหาพระธรรมของพระเจ้าก็ไปไปเยี่ยมลูกกันใไปบ่อย <c oughs> ขบไคกินเ่ยเอาไปส่งลูก <c oughs> อะเอาไปส่งลูกกไปเอาไปศึกษาว่าทำอันไหนใช้เวลามากน้อยกว่กนะัน อ, อยู่ครัวพันกับเขาทะเลาะทะ ล, ลนี่ไงก็มีน้องบางธรรมเราคนนี้ตัว น, นี้พวกติดอยู่พวกอัศรัสอัศรัเยอนี่ตั้หามานะที่ที่มันก็ดึงอยู่อย่างนั้นวนๆอย่างนี้นมาไล ไม่เบ mm. um yeah. anyway. ื่อแล้วไม่ไงโอยยิงเลยเขาอยู่ตรงนั้นเลยวนอยู่ตรงนั้นเ่ะเปิดเข้าเปิดออกให้ประตูก็ยตรงนั้นตายไม่รู้กี่รายแล้วม่รูี่ตรงนั้นวิ่งวนเข้าวนวนเข้าวนออกถ้าคนตาดีก็มองเรโอ้ยนาคือลุนนาเท่ใช่ไหมปีญาทั้งหลายก็มองโอ้ตรงนี้และวิ่งกงน วิ่งวิเข้าวิ่งออกวิ่งเข้ า, ข า, ขาจะทําอะไรก็ไม่แมีสติสัม ป, ปชัญญะเลยจะเห็นไหมสมาธิถีก็ไม่ทํางานสมาวา ว, วายามาก็ไม่ทํางานสมาถสติก็ไม่ทํางานไปไหนก็ไปข้างหน้าเลยอ่ะไปไม่มีปัญญาในการนําล่องเลยอะ่ะเวลาเดินเวลายืนเวลา น, นัา่งเวลานอนต่างๆสติสัม ป, ปชัญญะในฐานะเจ็ไม่เคยกระปากดเลยอะ่ะเขไม่เคยอยู่กับพระารรมเลยนะไปอยู่กับใครบ้างเราไม่รู้ เปนอ่านั้นไม่ได้ชีวิตเนี่ยถ้ามีความสุขกันดีไหมไหมถ้าอยู่อย่างเพ้อเลยกิเลสมารทั้งหลายก็นลก้กวนใจลูกศรกับปากอยู่ตงนั้นตัวเองก็เดือดร้อนด้วยนะเดือดร้อนด้วยนะลูกศรกับปากเสียบอยู่นั่นไงคือเนี่ยทิถีกับปักอยู่ในใจถอด ถ, ถอดถอดทิถีไม่ได้กลายเป็นทาตของทิถีเล่าร้อนเพราะทิถีกันดานเพราะทิถีเขียวคือทิถีตกเขี้ยก็ยัง มันขึ้นไม่ได้แล้วทำไงพอ ม, มาเรียนในเรียนธรรมะก็ยังอยู่ในเหี่ยวเรียนเนี่ยต้องปรินขึ้นมาก่อนที่ า, าเรียนไม่ทามาปรนขึ้นอย่างเหี่ยวคือทิฏฐิก่อนม่มีกำลังต้องรอให้กเชื่อคงไปยืนที่มันแตกต้กำลังเชือไ่อย่าดึงก่อนสางเชื่อกันอย่ า, า, ยาดึง คนสาวยินดีต้องหลักจองไม่ไมันคงบอกเนี่ยทิฏฐิไม่ดีเป็นยังไงก็เรียบร้อยเลยเีนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่ามันยินดีในพบันเทิงในพพจิตของเทวดาเทวดา น, วานี่กินความพึพรมด้วยนะมนุษย์เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละก็ไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในธรรม ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไปเพื่อความดับคบพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมไปเพื่อการดับการมอาภพรูปภพอรูปภพแต่สัตว์เหล่านั้นยินดีในรูปภพการมอาภพรูปภพแล้วรูปภพมันตรงกันยางไงพอไปยินดีมันมีตัวโลภะทิฏฐิก็ไปยึดในภพมันยึดในภพอยู่พอยึดในภพก็ยึดในตาหูจมูกเลี้ยงกายจะน้อมที่จะฟังธรรมกันที่ไหนนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ไม่น้องฟังหรอก กลุ mà Aquí, mà ่มที่มีอาสาทายเยอะๆเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวกัอในเรื่องของมีการมาสุขาลิกาเนี่ยเยเขาก็มัวประชุมบ้างสังสรรค์บ้างใช่ไหมกินเลี้ยงหรือว่ากันมีการกีฬาบ้างช่วงนี้ต้องไปออกกําลังกายก็ได้อาสาท้าเขาไดก่มใช่ไหแล้วแล้วตรงเวลาไอ้ ปเป้ลยอะไปที่ไหนเต็มไม่หมดเลยนะไปร้านนั่งรถไปอยู่ยโห่ยมีใครก็อยู่บนยเอทีอยู่ข้างบนนั่นเต็มไม่หมดไอมาแล้วทุกสาว ม, มาทำอะไรกันเนี่ยมาเหวี่ยงแค่เงินขาเงินยืนแลเขามีดนตรีอะไรดังแสบหูแสบเลยนี่นั่นอยู่แค่นั้นเขาไม่น้องที่ฟังทำทิฏฐิเลงพูดแจ๋วแสดงทำมาตั้งนานก็ส่วนใหญที่ที่กลุ่ม เป็นกิจการดีกว้างขวางมากตอนะเป็นนโยบายเยอะไรบ า, ง, างนโยบายของมิจฉาทิฏฐิใหญ่วางนโยบายออกมาโอ้ตายหมดเท่าห้งง้ออกมาลงมาด้วยนะโอ้เรียกนโยบายกระจายมิจฉาทิฏฐิแห่ชงชาติกระจายนี่พูดอย่างนี้ให้ทันลมหายใจก่อนใช่ไหมจริงไหมลนะ่ะ จริงไม่จริงนี่ไม่ได้กระทบตนกระทบกันยกให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วบอกว่าเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทําให้มิจฉาทิฏฐินั้นแข็งแรงมากขเพื่อจะให้ปัญญานั้นอ่อนแออ่าแต่ไม่ควรมีดแต่ไม่ควรมีโดนทีประกอบ ใชหให้เป็นไปเพราะว่าถ้าเป็นไปกับดนตรีประกอบมันเป็นไปกับอะไรเป็นไปกับตัญหาใช่ไหมไ ม, ม่อยากแทรกด้วยกาคิดจิตใจแล้วเมื่หรอกซึ่อเป็นคนนําแต่ว่าไม่ใช่เต้นอลลรปิบัติการประกอบดนตรีประกอบเขาจะมีท่ามีอะไรเพราะว่าสังขารร่างกายเราเร่มน่วยปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมปัญหาอยู่ตรงันในขณะที่ทํานั้ น, น, นสติสัมปชัญญะ เป็นใจด้วยถ้าถ้าไม่เป็นไปทําไม่ได้ถ้าจะใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นคือฝึกใช้สติได้เลยถ้าไม่งั้นเพียนแล้วเนี่ยต่อไม่ได้เป็นคนที่จะตามเราคือคือบางทีเราไม่เข้าใจเรกคําว่ามิจฉาสติคืออะไรแต่มันมันก็ยังเป็นต้องใช้ในการโยนการริหารจริงๆแล้วจริงๆเราไม่ไม่ไม่เข้าใจเรกคำว่ามิจฉาสติคืออะไเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวมิชาทิทีเนี่ยเขาก็คือปัญญาทางโลกเขาดีๆฮ <ๆ S 1> นะคือคือเราอย่าไปไปไปนั่นนี่เพาจริงๆเป็นอย่างนั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปกับเอานี่นะว่าพางเนี่ยแข็งแรงในสมัยกัมพูธการพระท่านแข็งแรงแข็งแรงก็เดินวันละสิบหกกิโลเราเดินไดน้ไหยล่ะ ทำไมท่านแข็งแรงใช่ไหมท่านท่านบริหารใช่ไหมบริหารด้วยกับปัญญาเนะี่ยไปดูมีหมะ่ะมีปัญญาในการบริหารตนนะ่ยเขาบริหารด้วปัญญาที่เขาไม่ได้ไปหาบนระิหาร่งที่ที่เามีเามีสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดเนะี่ย คือคือคือจริงๆเวลาเวลา ม, มันมันมีไม่ใช่ไม่มีนะใช่ไหมแต่ว่าโดยมากเนี่ยที่เราเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิเลยแล้วก็จะไปจะไปบอกว่ามีสติเนี่ยอย่าไปพูดมันพูดมาทำไมใช่ไหมล้วศึกษาว่าธรรมแล้วเนี่ยราต้องรู้ลักษณะของสติก่อนที่ถ้าพูดอย่างนี้ถึงจะใช่ ไม่ไม่ไปเถียงอะไรกันหรอกแต่มันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสติอะไรคือมิจฉาสติอะไรคือสัมมาสติก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรสัมมาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาทิฏฐิไม่รู้อะไรสัมมาวยายมะมิจฉาวยามะไม่รู้อะไรว่าสัมมาสังกปะมิจฉาสังกปะไม่รู้อะไรสัมมาวจามิจฉาวาจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจฉาวจามิจรู้จามิจนีวยก็ไม่รู้ ถ้าเออมาศึกษาเข้าใจชัดๆแล้วไปเดินกันได้แล้วก็ไปออกกาลังกายมันคนละเรื่องแล้วก็มีคอร์สในการในอธิบายสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดไหมก็ไม่มีไ ป, ไปก็ไปนั่งพูดกันนั่นแหละถ้าอธิบายอย่างนี้ไปกันหมดมันไม่ตื่นเต้นอ๋อเวลามาฟังทำนี่มันมัม็นง่วงใช่ไหมแล้วก็จะเห็นชัดว่าเราเนะี่ยมันเป็นสัตว์ที่ปีวิจายทิฏฐิ ไม่ใช่สัตว์พิเศษอะไรสัตว์บริสัตว์สกรปรก่ะใช่ไหมไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราไม่สะอาดเพราะเรายังมีราคะโทสะโมหะเต็ไมไปหมดมันต้องรูปตัวอย่างนี้เลยนะมันจะได้อ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยเข้าใจในกรณีที่ว่าอย่างเราศึกษาไปเราก็ได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะได้ ถ้าคนที่เขาไม่เคยฟังว่าทำเลยเขาไม่ได้หรอกแล้วลองดูจริงๆเลยชีวิตจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทําไมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันึงดังเป็นอย่างนั้นไม่นช่ไหมมันห ย, ยาบๆอย่างนั้นแหะเออถ้ามันเป็นกสติกรสสปัญญาบางที่โกรธกันด้วใ น, นที่ไม่ทันเนี่ยไอจังหวะไม่ทันเนี่นะั้อโกรธกันหน้าดำตาแดงใช่ไหมเอาไปอธิบายก็อธิบายแบบลืมเนื้อลืมตัว ไม่วาจาที่กล่าวก็ไม่ได้เป็นสมมาวิจาร์มันมีฐานก็โศสนแล่นเร็วจะถาแล้วก็รู้อยู่เพราะต้ฝึกอย่างดีแล้วเนี่ยเขาถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ขนาดตลองคิดดูเลยพระโสดาบันบางครั้งยังนั่งร้องไห้อยู่ไหมหลานตาหลานตายยังร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างทีค่คิดงั้นมันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างดีเลย ผ่านกระบวนการการไต่ตรองอย่างดีเลยแล้วไม่ได้คิดอย่างเราๆที่ไปนั่งคิดคนเดียวด้วยเขาคิดแล้วก็เทียบเคียงกับวิธีกาของพระพุทธเ้าคิดแล้วก็มีบัณฑิตคอยตรวจสอบให้เราไปนั่งคิดคนเดียวเข้าข้างตัวเองปุ๊บปบไปนู่นเลยอ้มันมองมันขาดมองมันขาดเต็มไม่ได้สบายใจใช่ไหมดางนั้นก็ไปกรำเริว่าเราสงสัยมันจะใกล้ถึงใกล้ถึงกันอยู่เนี่แหละเข้าใจใช่ไหม เพราะเราจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเทียบเคียงพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมกุบเจ้าไม่เทียบเคียงให้เรามันเหมือนแบบทําปัญหาให้คะแนนเองให้ให้เต็มสิบเต็มร้อยใช่ไหมเหมือนวันนี้เต็มร้อยเหมือนวันนี้เต็มสิบอยู่เนี่ยเข้าใจยังทิศสูตั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไปอย่างไรมีกลุ่มแล่นเลย คือเทวดาและมนุษย์หนึ่งย่อมอึดอัดละอาเกียรติชังพบยินดีปราศจากพบว่าชาวเราเอ้ยได้ยินว่าเมื่อใดตนแต่ตายกายแตกไปแล้วขาดศูนย์ย่อมพินาศเมื่อ น, นั้นตนเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นความไม่เป็นอีกนี้ละเอียดประณีตพลิกตัวทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมเล่นเลยไปอย่างนี้พวกนี้ก็พวกเห็นขาดศูนย์ เห็นขาดศูนย์พวกแล่นเลยอ่ะพวกเห็นว่าเที่ยงกลุ่มกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มนี้คือกลุ่มเห็นกาดศูนย์แล้วเขาเขาาสอนเนี่ยนะ่ห็นไหมเขาสอนเนะี่ยว่าแต่เขาเลางขาังเกียจเขาลังเกียจมากเพราะเพราะว่าไม่ละเอียดไม่ประณีตเลยไม่ดีเลยนี่ยเพื่อนหน้าแต่ตายแล้วนะไม่ไม่เป็นอีก ความไม่เป็นอีกเนี่ยอุ้ยละเอียดประณีตมากพวกนั้นใช่ไหมเขายินดีเลยเนี่ยที่เขาเห็นอย่างภิกษุทั้งหลายก็ส่วนผู้มีจักสูตย่อมเห็นอยู่อย่างเนี้ยภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นพูดเห็นพูดปีอะไรดีเห็นรูปเวทนาสัญญา้งสารมิยานเนี่ยโดยความเป็นพูดท่านเห็นพูดด้วยความเป็นพูดแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อเบญา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 กลุ่มเนี้ยจะปฏิบัติเพื่อเดือนเบื่อหน่ยายเพื่อคลายกำหนดเพื่อดับดับอะไรดับภูตากดับพูดตรงนั้นเน่ะคือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทิศสุดทั้งหลายส่วนผู้มีจักสูเห็นอยู่อย่างนี้นะคนที่มีจักสูจักสูในที่นั้นคือปัญญาจักสูถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นอย่างนี้แล้วเราเห็นแบบนี้มวันวันเห็นแบบนี้มั้ยต่างก็อยู่ริ้นกายใจหน้าเบื่ไม่ใช่หน้าเบื่อแล้วก็รอไม่ทําอะไรนะ มันมีในกลุ่มเหี้นเบื่อไม่ทำอะไรเลน่าเบื่ออยากตายไม่อยากอยู่แล้วนี่ไม่แต่เป็นปฏิปทาเพื่อเบื่อหน่ายเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายจริงๆเนี่ยมันจะมีปฏิปทาเพื่อการหลีกออกโดยการประพฤติปฏิบัติโดยการขัดเกล้าได้มีปฏิปฏิปทาที่เหมาะสมโดยการเจริญกายยาโนปัสนาเวทนาจิตตาแล้วก็ฐามานุปัสนาสติปทาอย่างนี้เขาจกเบื่อจริงแล้วเบื่อถูกทางและเบื่อแล้วเดินไปตามพระธรรมคาสอนแล้วไม่ประมาทไม่โมเมา ไปแบบเนี้ยถ้าไปเงี้ใช่ทําไห้ไปอย่างี้ไม่ใช่หรอกไม่เปนหน้าบ่นกันไม่น้าเบื่อตาก็น้าเบื่อยังหมุนลิ้นกายใจก็น้าเบื่อเบื่อเสร็จก็ไปนอนก็เห็นไหมนะเบื่อเสร็จก็ไม่ไปเล่นความเพียรอะไรหรอกอย่างงี้ไม่ใช่เพราะมันเบื่อจริงๆเนี่ยเขาเล่นบางคนคือเยอะมากๆแล้วเบื่ออยากตายพออยากตายตรงนี้ เช่ไหอยากตายไม่อยากอยู่เนี้ยนี่เขาเห็นไหมเพราะเขาไม่ไม่ชอบใจอารมณ์นะแล้วมันก็มีสองส่วนก็บางกลุ่มก็คิดว่าตายแล้วจะไปได้ไหมบางกลุ่มก็ตายเขาจะได้หมดหมดไปได้จบจบัปเนี้ยก็อยู่แค่นี้ยประเภทที่นั่นแหละอยินดีในพบกับเพวกที่เลอะเลยไปเน่หยุดอยู่กันเลยไปกลุ่มหยุดอยู่กับกลุ่มเลยท้องพวกนี้ไม่น้องฟังทำเท่าไหร่ล่ะฟังพอเป็นพิธี ต่อไปงั้นบางครับงไปฟังกฟังฟังแบบไม่เชื well are we? We are ่อเลยเนี่ยสถานน้อยเนี่ยประสงสัยส่งใช่ไหมนั่นหละไรอย่างเงี้ทำไงเราเห็นอย่างนี้ต้องเร่งรีบไหมกลัวไหมว่าเราจะเป็นแบบนั้นแล้วเราพ้นที่ยังแบบนี้ยังไม่พ้นเคยเป็นไหมแบบนี้แล้วจะไปเป็นอีกไหมถ้าถอดถ้าถอดทิถีไม่ได้เดี๋ยวเลเป็นแบบนี้อันนั้นมันอัธยาอัธยาที่ทาให้เห็นนั่นทุกทุกเรื่องที่เห็น ให้คิดสองส่วนหนึ่งเคยเป็นสอนเจสองจะต้องเปลี่ยนถ้ายังไม่ถอดทิฏฐิในใจไม่ได้ถอดทุกสอนในใจออกไม่ไดท่านคิดกันอย่างนี้บารยะทั้งหลายหรือคนที่ปรารถนาจะเป็นบาริยะทั้งหลายต้องคิดแบบนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็คใครแนละ้วห่างไกลแล้วห่างไกลห ล, ลวพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้นะถามว่าพอศึกษาพระธรรมบทสรุปจุดลงอยู่นี้ปุ๊บขึ้นมาแล้ว แล้วเราวางท่าทีได้หรือยังตั้งท่าทีตั้งวิธีคิดตั้งหลักตัวเองได้อยังลําดับแรกก็คือตั้งหลักได้หรือยังแต่ก่อนมันหลักยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตั้งได้ยังตั้งหลักได้ยังแล้วเป้าหมายละ่ะชัดหรือยังนี่มันสองหลักเนี่ยนะหนึ่งตั้งหลักได้หรือยังสองเป้าหมายชัดหรือยังตอนนี้ตั้งหลักได้ยัง <moved fuss ion individually> หลักตั้งได้ยัง แล้วสองก็เป้าหมายแห่ะชัดได้ยังตอนปัญญาเกิดก็ตั้งหลักได้ตอนที่ตีเกิดก็ตั้งหลักไม่ได้ <c oughs> ยังยิ่งยุ่งเลยเ <c oughs> นี่ยมันก็สว่างก็ไม่ลมเปลมพัดเลย <c oughs> ใช่ไหมมัน <c oughs> ถ้าภิกษุใดเห็นพูดโดยความเป็นพูดแล้วและหญิงความเก้า ร่วงซึ่งพูดแล้วนั้นโดยการน้องไปทำตามที่เป็นจริงก็คือน้องไปในโรบุตระตามเพื่อความหมดสิ้นแห่งปวัตตนาภิกษุนั้นกําหนดรู้ภูตาก็คือกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาเี่นะสังขารวิญญาณเป็นผู้ปราศจากตัณหาในพบน้อยพบใหญ่ย่อมไม่มาสู่พบใหม่เพราะความไม่มีภูตาแล้วคือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะกลับมาสู่พบได้ไหมเนี่ยเขาจะต้อนรับคนที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหลในพบทั้งหลาย ถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่ได้แล้วเจ้านั้นต้องการดับอย่างถาวรแล้วก็ไม่นอนไปอย่านอนไปเอาพูดใหม่หรือไปเอาภูต่างหรือเอาขันห้าใหม่บุคคลสามจำพวกมีทิฏฐิวิบัติสามจำพวกมีทิฏฐิวิบัติในสามจำพวกนั่นแหะเราไหนมีทิฏฐิวิบัติเดรัทีสาวกของเดรถัถีแล้วก็บุคคลผู้เป็นวิชาทิฏฐิ อ้าเราอยู่กลุ่มไหนเราเป็นเดรัจฉีหรือเปล่าเป็นสาวกของเดรัจฉีหรือเปล่าเป็นบุคคลผู้มีทิฏฐิใช่ไหมใช่บุคคลสามจังพวกนี้เหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเป็นมีทิฏฐิวิบัติใช่บุคคลสามจังพวกเหล่าเนี้ยเราไหนมีทิฏฐิสมบัติเราไหนมีทิฏฐิสมบัติใคร พระตถาคตสาวกของพระตถาคตบุคคลผู้มีสัมมาทิฐิบุคคลสามอย่าพวกนี้มีทิฏฐิสมบัติอ้าวเดี๋ยวลองดูนะว่าจะนะอ้าวลองนั่งลองพิจารณาดูเรามีตรงนี้ไหมนรชน์หรืเราใดเป็นคนมักโกรธ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 เขาบอกว่านราชนเนี่ยเป็นคนมากโกรธผูกโกรธมีความลบหลู่อัลลามกมีทิฏฐิวิบัตเจ้าเลนนะคนเจ้าเลนมีวิญญณเิรู้ว่านชนหลังนั้นเขาเป็นคนเลวนะนันะอต้องถอนตัวแล้วตรงนี้ตองบอกอันนี้สับเนี่ยอันนี้ต้องไปแก้ตัวเองมื่อกีพูดเองอ เไม่ไม่ทราบด้วยว่าแล้วจะใครคิดแล้วทีนี้ทิฏฐิวิบัติกับทิฏฐิสมบัติในะทิฏฐิวิบัติเป็นเะไหนความเห็นวิบัติว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยทิฏฐิวิบัติสามเหล่านี้นน เ, เ, เ, นเนีย่ยจะขยายให้ฟังตรงนี้ๆๆๆนั่นของเราในตัณหาเราเป็นนั่นนิมานะนั่นเป็นตัวตนของเราในทิฏฐิ เออ เ, อ, อเดี๋ยวจะขยายให้ฟังเพราะว่าผู้ผู้ผู้บรรยายก็ติดเดี๋ยวจะขยายความว่มันติดยังไงแต่ในทิฏฐิสามประการในทิฏฐิสมบัติสามประการความเป็นตัว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคําว่า ก็ไม่พวาหมาว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาเจริญในอะไรเนี่ยเขามีวิปัสสนาไปที่ไหนหรือม่เนี่ยนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาเจริญวิปัสสนาอะไรนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นเป็นอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนานั่นไม่ใช่ของเราเนี่เป็นทุกขานุปัสสนาอเราไม่เป็นนั่นนี่ยเขามีอนิจจานุปัสสนาเนะ่นั่นไม่ใช่อนัตตาของเราเนี่ยเขามีอนัตตานุปัสสนา นี่ปัญญาประเภทนี้เราไม่เคยเกิดมันก็มายึดอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าถ้าเรายิ่งสงสัยตรงนี้เพราะเราไม่มีเนี่ยไม่มีทุกขานุปัสสนาไม่มีอนิจจานุปัสสนาไม่มีอนัตตานุปัสสนาเพราะเราไม่มีปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ไม่ได้มีปัญญาที่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้มีปัญญาที่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาพอมันไม่มีวิปัสสนาสามประการนี้มันก็เลยเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็น อัตตาหรือเป็นตัวตนของเรายังยังเพราะวปัสนาญาณตัวนี้ไม่เกิดไงเราก็เลยติดขัดกันอยู่ตรงนี้แหละเอา้าค่อยๆเดินไปเดินเร็วไม่ได้ทิฏฐิว่านั่นของเราทิฏฐิว่าคือทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดชนิดไหนทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไร เป็นทิฏฐ์ตามส่วนสุดชนิดไหนทิฏฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราทิฏฐิอะไรทิฏฐิเท่าไหร่ทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดเท่าไรทีนี้ทิฏฐิว่านั่นของเรานี่คื อ, คอกลุ่มปุพันตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของอดีตเนี่ยนะเป็นทิฏฐิสิบทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนขันในอดีตนั่นของเราด้วยนา่ของตัณหาในใดมากกวนั่นแหละ เสียดายเสยดายลูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณที่มีมาในอดีตทั้งหมดเลยในะส่วนสุดในอดีตมีเท่าไหร่ในสิบใช่ไหมดูสิบแปดดูส่วนสุด18บดี่ในส่วนสุด18บแเนี่ยเขาเรียกว่าปุกพันปกพันตะกับปีกาทิถีนะทิถทีที่ปารบเบื้องต้นหน้ากลุ่มมี18บแปยุดทิถี 18ทิฏฐิเห็นว่าอะไรว้าสัตตสตาสัตตสตาทิฏฐิสีสสสสเอกัจจาสัตตสตาทิฏฐิอีก4นะอันตานันติกะวาทาอีกสเอามรลอามลาวิเคปัยอีกสี่อธิจาะสมุปปนาอีกสนะรวมเป็นสิบแปดฮะ คืออย่างนี้เออขาเดี๋ยวไลฟ์ฟังดีก่อนอย่างนี้ในสตว์ตาวาทะนี้มีสี่ประเภทใช่ไหมแล้วก็เอกรจ่าสัตว์ตาวาทะเห็นบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอีกสี่นะแล้วก็อันตานันติกาวาทะโลกมีที่สิ้นสุดโลกไม่มีที่สิ้นสุดอีกสอมราวิเคปาอีกสแล้วก็ทิตย์จ่าสมุปันนาสอง เห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุนี่แหละกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มปกพันตะกับปิกาวาทะอันนี้เห็นว่านั่นของเราอันนี้ตอนเนี้ตัณหาตัณหาก็เป็นประธานไอ้ตรงเนี้ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งอะไรก็ไปไปตามดูเองก็แล้วมันอัอปรันตานุทิติ 44ทิฏฐิที่ปลา ร, รบเบื้องปลายมีอยู่ห้ากลุ่มนีมี44ทิฏฐิอป ร, รันตาเนี่ยอป ร, รันตาทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิที่ปาลบส่วนเบื้องปลายคือปารบอนาคตมีทิฏฐิอยู่44ตามเห็นขันส่วนอนาคตตามเห็นขันส่วนอนาคตมีอะไรบ้างอะ่ะมีสัญญีวาทะ สิอสัญญีวาทะเื่อสัญญีวาทะก็เห็นว่าตายแล้วอัตตามีสัญญาเนี่ยมี16ประเภทเนาะส่วนอสัญญีวาทะเห็นว่าหลังตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญามีอยู่8ปดเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเห็นว่าหลังตายแล้วอัตตามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีอยู่8อุเฉทวาทะก็มีอัตเห็นว่าตายแล้วอัตตาขาดศูนย์นี่ ทิฏฐ ธ, ธ ร, รมะนิพพานวาทาเห็นว่าสภ า, าวะบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันมีอยู่ห้าประเภทก็เห็นกามคุณนทั้งหเป็นนิพพานบ้างเห็นปฐมฌานเป็นนิพพานบ้างเห็นทุติยฌานเป็นนิพพานบ้างเห็นตัตติยฌานเป็นนิพพานบ้างแล้วก็เห็นเจตุตถฌานเป็นนิพพานบ้างนี่นะอันนี้4ี่สิบสี่เขาเรียกว่าเป็นอั ป, ป, ร, อ ป, ปรันตะทิฏฐ อป ร, รันตาก็ได้อป ร, รันตาก็ได้อป ร, รันตาทุติถีนะเป็นทิตติปารอบส่วนขันในส่วนอนาคตเนี่ยสี่สิบสี่อันนี้มานะทํากิจมากเห็นไหมนั่น เ, เราเราเป็นนั่นเห็นไหมเราเราเป็นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นของเราเนี่ยก็มีเราเป็นนั่นแต่ก็มีทิตติใช่ไหมใช่ เราเป็นนั่นเนี่ยจริงๆทำไมต้องเป็นทิชชี่มนไม่ใ่เป็มานไม่ดีตรงนี้มันมันมีทิชชีก็เปหมดเลยใช่ทั้งๆที่ว่าทิชีเป็นมานะเออนั่นนั่นแหละนั่นแหละเป็นอุปนิสัยแต่ต้องเอาทิชชีนนำเพราะมันเห็นผิดเข้าใจไ่มถ้าเป็นมานะนะโซดาบาล่าได้ไหมไม่ได้เนี่ยต้องทิเนีทิชชี่เท่านั้นแหละ จริงๆทีท่ถีต้องต้องต้องปนหมดและแล้วแล้วต้องกล่าวถึงที่ถี62สิบที่ถีก็ เ, เป็นประธานอยู่แต่ว่าตอนนั้นน่ะเอามานะมาหนุนใหญ่หนุนเกีย่ยวข้องยังไงก็ว่าไปตรงนี้ถึงว่ามันน่างงอ่ะไม่งงหรอกพระราดวิโสดาบันเอางี้วันนี้พิธีเขาไม่อยู่ด้วยกันใช่ตแต่ถามบอกว่า แต่ถ้าถามบอกว่าเขาเขาสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันไห ม, มนั่นแหละในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน อ, อย่าลืมนะว่าอันแรกก็คือทิถนนีนี่นี่ยก็คือทิถีถพูดถึ ง, งทิถีใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วนะ่ต้องกล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องทิถีโดยเฉพาะที่เราเรียนกันเนี่ยนะไง ต้องพูดถึงเรื่องทิศถี่อย่าไปคือตั้หามานะทิศถี่ในจริงเป็นธรรมะที่ขยายว่าตาแต่ถามว่าถ้าเอาทิศถี่ออกเสียแล้วเนี่ยอีกสองตัวเขาไม่ขยายแล้วเขากดทัดเขาหดหดว่าตาลงมาเหลือนิดเดียวเองใช่ไหมต้องให้เข้าใจฐานจริงๆคือตัวทิศถี่นี่แหละมันดึงสัตว์ให้ติดเน่นในภพอยู่เนี่ยแค่รโรงแสดงแสดงทิศถี่แต่ว่าคุมไปถึงมานะคุมไปถึงตั้หายัางไงก็ว่าไปใช่ไหม ก็เกิดร่วมกันบปเขาว่าไปนี่เดี๋ยวไปดูสับบาลีได้ยกมาอันนี้ยังไม่ได้ยกมาแยกให้ดูแต่จริงๆคือฐานของเค้าคือทิฏิทั้งหกสิบสองเนี่ยทิฏฐิแล้วประสวดาบาละได้อิฏฐิแต่ันนี้คือ62ด้วยใช่อปรันตานว่าทิฏฐิ <4. S 1> ใช่นี่คือทิฏิก็คือเรียนทิฏฐิหกสิบสองนั่นเองจะมาเรียนในสายของทิฏฐิระถา การบอก44เป็นเท่าไรแล้วเป็นเท่าไรแล้ว62นี่คือติฏฐิ62 <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมจริงๆก็คือทิฏฐินั่นเองที่เราเรียนกันนี่กราเรียนวิชาทิฏฐิแต่ว่าตัณหาต้องมาปัวพันต้องทิฏฐิเอมมาหน้าต้องมาปัวพันไม่ใช่ใช่ไหม ที่นี่อย่าไปอย่าไปสุดตรงอย่าไปสุดตรงว่านี่เป็นมานะเท่านั้นไม่มีทิฏฐินี่เป็นตัณหาเท่านั้นไม่มีทิฏฐิอย่าอย่าไปสุดตรงถ้าว่าเอาถอดทิฏฐิออกมาแล้วเนี่ยทิฏฐิเหล่านี้ไม่มีเลยหกสิบสองไม่มีเลยถ้าถอดทิฏฐิทิ้งปตรงตูมนทิฏฐิหายควับไปหมดเลยหายไปหมดเลยไอตัวตัณหาก็หมดความเข้มข้นเรนดีเลยตัวมานะก็หมดความเข้มข้นเรนดีเลยนะเพราะตัวตัณหากับมานะที่ถูกลาดด้วยอรหันตมา ไม่ถูกลาดด้วยทิก็ไม่ขอไปก็ไดูกตัวล่าด้วยโซดาปฏิมาเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนั้นนี่มองจ้องนานไม่ใช่เหมือนจะสงสัยไงไมาคือไม่อยากให้สงสัยเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วตรงเพราะข้อมูลแต่ก่อนรับมาอย่างยังไหมอาม จ, ะจะาย์ต้องทิชกหลังจากนั้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะไปเข้าไปถึงอตานททิชกคือศักยญาตทิชกท่านไม่นับเท่านี้ อตาตาโนทิตีเป็นทิตีรางง่างเงาเขาจะเป็นเชื้อของทิตีเหล่านี้ตอนนี้ครบหกสิบสองแล้วนะโ อ, โอ้โหไวเหลเือเกินนี่จบพมชลสูตรทีคันนี้กายสีระขันธ์เท่าสูตรแรกเลยแสดงทิตีหกสิบสองแล้วเดี๋ยวเพิ่มจุลศีลมชมาศีลหมาศีลแล้วก็จบเลย นี่เชื่อมเงนได้เลยอันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แทนโจ้นี้แล้วก็ทิศีนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะบอกว่านั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือที่สิบแปดกับสี่สิบสี่เป็นเท่าไหร่62สิบองอสิบสองแล้วเนะี่ย แล้วก็อัตานุทิฏฐีมีวัตถุ20คือสักกายทิฏฐีอั น, นมีวัตถุ20รวมเป็น62พอดีเลยเห็นไหมรวมเป็น62เพิ่มอีก20กลายเป็น62เยอะไหม <c oughs> <c oughs> เขาใจะยัง <c oughs> เพิ่มอีก20ฉะนั้นในบรรดาเพิ่มอีก20เป็น62นี่เพราะสักกายทิฏฐีนั้นเป็นประธานของทิฏฐีทั้งหมด เขอย่างเป็นประธานของทิฏฐีทั้งหมดไม่ว่าจะทิฏฐีแรงขนาดไหนถ้าไม่มีวิจารทิฏฐีประเภทอัตตาทิฏฐีหรือสัตยยะทิฏฐีจะแล้วทิฏฐีเหล่านะั้นจะเจริญองอกงามได้อย่างไงใช่ไหมมันเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พืชอถามว่าต้นมะม่วงนี่มาจากเมล็ดมะม่วงใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละนั้นตัวสัตยะทิฏฐียี่สิบที่มีวัตถุยี่สิบนี่แหละเป็นประธาน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 โกลังโกละโสดาบันเอกพิชีโสดาบันใช่ไหมใครคือสตัตตปัตตุปรมาโสดาบันพระโสดาบันที่ละนิติหกสิบสองเหล่านี้ได้แล้วแล้วท่านจะเกิดอีกไม่มีพบที่แปดโกลังโกละโสดาบันอันนี้ก็อยู่ประมาณกี่ชาติเดียว อ น, นี้ต่ำลงมากวเจ็ดนะอันสักสามชาติก็แล้วกันไม่เกินนั้นนะ น, นะถ้าเ e. อกับบีชีนี่เกิดชาติเดียวเนะี่ยพระสกาทาคามีพระอรหันต์ในปัจจุบันสําเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกเหล่าไหนละโลกนี้ไปแล้วจึงสําเร็จบุคคลห่าจพวกก็คืออันตระปริลิพานีพระนาคาเนาะอุปปาหะจ่าปริลิพายีนาคามี สังขารปริญญา ย, ยนาธามีสัตสังขารปริญญา ย, ยนาทีบุทรธมโศโตอคณิฐาคามีลาโลกนี้ไปแล้วจึงจะสําเร็จกลุ่มเหล่านี้ก็จะไปนู่นแหละอยู่ในสุดท้าว่าจะมีหลายยี่พวกนะะพวกที่อะไรเป็นประธานอะไรแข็งแรงสัตตินสีวิญสีสติินรีสมาติินสีปัญสีตามสถานะอย่าขยายเลยตรงเนี้ยเรื่องเยอะ อยากดูรายละเอียดก็ไปดูในไหนดีอ้าวต้องการอยากขยายหน่อยก็ไปดูนู่นปริเขตที่ห้าเนีวันนี้ปูมด้่ยนะไปดูเพื่อสุท้ายว่าอันนั้นหมายต้องไปขยายด้วยฉัน ม, มีกาไปขยายตรงนี้ได้ไม่ยากเลยตรงนี้นตอนนี้ก็ให้รู้นะที่ท่านจะปฏิพาน์ในระหว่างอายุอย่างไรเป็นต้น แล้วนะข้าท่านจะต้องไปปริปาา น, นิพพานในอนิทะพบเป็นตน้นตามลําดับนี่ยิกตูทั้งหลายบุคคลเราได้เราหนึ่งถึงความเชื่อในเราเนาะบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้ยทิฏฐิบุคคล5้จำพวกสําเร็จในโลกนี้แล้วก็หจำพวกร้าโลกนี้ไปแล้วจึงจะสําเร็จพิกตูทั้งหลายบุคคลเราได้เราหนึ่งเรื่มใสในเราแน่นแฟนอย่างแน่นแฟ้นบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันในพระโสดาบันเหล่านั้นบุคคล5จำพวกสำเร็จในโลกนี้บุคคลอีก5จำพวกร้าโลกนี้ไปแล้วจึงสํ า, เ, า, เ, า, า, เ, า, าสเร็จ แลบุคคลหาจะพวกเราไหนสาเร็จในโลกนี้บุคคลหาจะพวกเราั้นเป็นสตักตุปรรมโสดาบันโกรังโกราโสดาบันเอกพีชีโสดาบันพัสาตาคามีพระอรหันต์ในปัจจุบันสาเร็จในโลกนี้บุคคลหจะพวกเราไหนาลาโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จบุคคลหาจะพวกคืออันตร า, ราปาารินิพพายิอุปอาจาปรินิพพายานาคารนะสังขาระปรินิพพายานาคาระกสังขาระปรินิพพายนาคาอุทังโสโตอริตตะคามี อนาคามีรัลโลกนี้ไปแล้วจึงจะสําเร็จนี้ก็ไปอุทางโศตอนีนู่นไปสําเร็จนี่แน่ก็นิทภูมิเนี่ยพิกสูทั้งหลายบุคคลเราใดเราหนึ่งเรื่องสายเนเราอย่างแน่นแฟ้นบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันในพระโสดาบันเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกนี้สําเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกรักโลก ล, กลัลกโลกนี้ไปแล้วจึงจะสําเร็จนี้จบแล้วที่ทิกถาจบอัตถิฐายังไม่ได้ขยายยังไปรอขยายทนอัตถิฐา คือคือตรงนี้มาสรุปอย่างนี้นะที่เร่งเร่งเร่งเร่งเนี่ยไม่มีอะไรหรอกต้องการอยากจะรู้ว่าหนึ่งก็ไม่ไม่ได้ขยายได้นะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปขยายกันนี่ต้องการเร่งเกี่ยวในเรื่องของอุตตโพธิ์ตัวตัวคาถาต่อไปเดี๋ยวอาตกะถาในด้านของ อ, ar, อาตกถามหาวจีติคติคาถาอสานติทินิเทศเนี่ยท่านจะไปขยาย ก็จะขับไปขยายตรงนั้นแหละในรายละเอียดแต่ไม่รู้จริงๆเนี่ยที่เตรียมไว้อ่ะเตรียมี่จุดหนึ่งนะแต่พอม า, าหยิบเล่มนี้ไม่ได้ดูไว้ก่อนหรอกอ้าอธิบายไปเลยก็เลยมาอธิบายเพราะว่าเออเพิ่งมานึกแดงตอนชาดีอีกนึกว่าเออขยายตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจตรงนี้สรุปแล้วเข้าใจะนะว่าสักกายทิฏฐิยี่สิบเนี่ยอยู่ในนั่นแหละหกสิบสองนั่นเอง เขาเป็นประธานของ62นะนั้นเขาสําคัญมากมาจะพูดตลอดใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ากลัวว่าเพราะยังนี้มิจฉาทิฏฐิฝังอยู่มีสกิรญาทิฏฐิฝังอยู่ในกระแสขันธ์ญาณตนะอย่าให้มันเพิ่มถ้าลดดีถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเมื่อะไรมันได้ปัจจัยขึ้นมามพเพรอะที่ขวดไปเนี่ยให้เป็นอุเฉธาทิฏฐิก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมสัจจะทิฏฐิก็เป็นมาแล้ว มันยังไม่ล่วงลึกลงไปจนถึงนิยตามิจฉาทิถีให้เห็นในบรรดาหกสิบสองนี่เราเห็นมาแล้วนี่สัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในจักรวาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะถูกมิจฉาทิถีหกสิบสองครอบงําอยู่แล้วบางคนนะ่ะเตลิดเลยไปจนถึงนู่นนิยตามิจฉาทิถีพวกนี้ช่วยไม่ไหวแล้วงั้นอย่าลืมนะเราเนี่ยเผ่าพันธุเราอยู่ตรงนี้ และเผ่าพันธุของเราก็ไปเป็นนี่ตแต่มีแฉที่ตีก็เยอะที่ดึงกลับไม่ได้ก็เยอะญาติเราทั้งนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งยา่าทั้งตาทั้งยายมันต้องนั่งร้องไห้เลยทั้งไปถ้าจะนั่งคิดตรงเนี้ยท่านเหล่านั้ น, นหมดโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยเราไม่น่ากันกรุณาท่านมไหมน่ากรุณาไหยอ๋อน่ากรุณาแล้วท่านฟังพระธรรมไม่ได้เลยท่านฟังกันไม่ได้แล้วเพราะท่านปล่อยร่วมเลยเจ็ดชาวน่าไปแล้ว คามเห็นตรงนี้ต้ออย่าให้เลยเจ็ดโชนาเนะ่ยท่านบอกไว้เลยใช่ไม้มท่านเลยเจ็ดโชนาแล้วดึงแม้แต่สัพพยุติยานก็ดึงกลับไม่ได้แล้วไี่มีใครช่วยได้เลยอย่าให้เลยเถิดไปขนาดนะั้นน่ากลัวมากที่มีสักยติถีฝังแน่นในกระแสะขันธาตยตนาเนี่ย น, น่ากรุณนามากที่บอกว่าบุคคลเหล่านั้นจะล่วนในพี่ๆน้องๆเรานี่แหละเขาไปกันแล้วเ ข, า, ไปไปวเขาหลุดโลกไปแล้ว กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เจอแสงของพระธรรมแล้วกลายเป็นคนเป้าวัตตะอย่างถาวรแล้ววัตตะขานุเขาแปลว่าเป็นหลักเป็นตอของวัตตะไปแล้ววัตตะมีอยู่เท่าไรเขาก็อยู่กับวัตตะไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสจะออกจากวัตตะได้เลย มีเขาไปเขาไปก็อยู่อย่างนี้อยก็เห็นิไปมัเมื่อกี้เนี่ยผแสดงกว่ามีพวกโทรศัพท์มีบาร์มบ่อะก็เป็นเหตุในเ่องทีอ่าใช่หมคะที่ว่าไ้เปลีนนตุที่สาดที่สุดอาลยเลยเนี่ยทีนี้เร ว่าปกติเี่จเนี่ยเขาอยู่กโลภะเขาอยู่กับโลภก็ลเลยเออน่าจะเป็นคนที่โลภะมาเด็ก แ, แต่ก็เข้าใจนะคะว่าคนที่มีโภชักมีโอกาสเข้าใจเ<ม>ข้าใจเอย เ, อเนนะคยเคยืออย่างนี้จริงๆเราต้องดูว่าอัอากขุสรามุลถ้าเราเข้าใจคาว่าอากักขุสรโรธรอรรธรรมโอกุสราศธรรมะศาสใช่ไหมโอปนิสยาปจเยนะปจโย อุชลเป็นปัจจัยแก่อาภุชลไม่ไม่แตก่นอาภุชลธรรมเป็นปัจจัยแก่อภุชธรมมมรมเรื่องหน้าของอุปนิสัยปัจจัยเป็นตน้นถ้าเข้าใจตรงนี้เสจไม่ไม่มีอะไรฉะั้กรณีที่คนที่มีวิชาที่ตีเป็นคนขี้กดก็เพราะวิชาที่ตีนั่นแหละทําไม่เขากดฐานของเขาก็มาอีกตรงนั้นบางครั้งก็มีโมหะเป็นมูลบางครั้งก็มีโลภะเป็นมูลบางทีก็มีโทสะเป็น ก็ไม่อย th so oh ู <for> ่กับที่ตแต่โทรศัพท์อยู like ่กโลภะแต่ทำไมถึงได้ไม่ไม่ที่ตีจะอยู่กบโลภะที่ตีอยู่บโภะแต่ไม่อยู่กเขาใช่แต่เาเป็นมูลก็ก็ขาเป็นปัจจัยได้เขาเป็นปัจจัยได้มากเลยคือนชัดเลยแลถ้าโทรศัพท์เนี่ยทได้แเป็นเกแบบมองเลยานถามบอกว่าถ้าไม่มีวิจาร์ที่ตีเขาจะโกรธไหมเนี่ยก็ไม่รู้จะโกรธอะไรโกรธใครเหรอ ก็เขาเห็นโดยความเป็นโูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารเห็นด้วยความเป็นไปของกระแสของขันธะเยทนาทําไมก็จะต้องมานั่งโกรธขันธอเวตนาจะมให้เขาเห็นนะคนเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละไอที่โกรธกอดกันอยู่เนี่ยเห็นเป็นสัตว์บุคคลเห็นเป็นตัวเป็นตนมากแล้วก็ถอนถอนตรงนี้ออกไลยนะเหมือนก็เราเห็นว่าเป็นลูกเนี่ยเราก็โกรธอยู่นี่แหละ Tunes, ถ้าเราเห็นด so so ้วยความเป็นขันธ์ธาตุยยะตนะเนี่ยเราจะโกรธไหมม่นโกรธเลยใช่ไหมแล้วเราจะรักรักแบบโลภะไหมมันจะรักแบบเมตตาท่านั่นะไม่รักแบบโลภะเลยไอ้รักแบบโลภะมัอันตรายรักรูกอันตรายรักพ่ออันตรายรักแม่อันตรายรักใครอันตรายมันไปรักด้วยตัณหาค่อยรักด้วยเมตตานี่เรากลัวไงถ้ากลัวเมตัหาหมดแล้วกลัวความรักมันจะหมดไม่หมดหรอกมันยิ่งดีรักแบบเมตตา รักแล้วมีความสุขรักแล้วมันไม่ยึดรักแล้วมันเบาไม่อิสระมันปลอดโป่งมันโลกงจะไปไหนไม่ต้องขออนุญาตใช่ไหมรวกโดยตันหายี่งกลัวเขาต้องงอตันหาอยู่นั่นแหละใช่ไหมนี่เป็นทาตของตันหายังไม่รู้อีกเรานี่ยเป็นทาตของตันหาเราสมาทานว่าจะเป็นทาตของพุทธเจ้าไม่จะ่เป็นธาตของตันหายอมอะไรมัน ไม่ยอมเป็นเจตนาลงใช่ไหมเข้าใจเงี้ยที่พูดอย่างเงี้ยต้องเข้าใจเจตานาเ น, นี่มมนมย ม, <c ười> มันต้องเป็นแ <c ười> <c ười> บบ น, นี้ <c ười> เนี่ยอ่ไปอ้างงั้นอ้างพระพุทธเจ้าอย่าไปอ้างอาจารย์ใช่หม อ้ามว่าพระเจ้านูบอกข้าพระเจ้าจักเป็นทาตของพรธเจ้าจักไม่เป็นทาตของตันหาเออจะไม่เป็นทาตของตันหาอีกต่อไปแล้วก็เราปฏิญญาณกันเองทําไมเราไม่ทำํำตามอาจาย์บมงมาเตือนสติเท่ท น, นั้นเองเข <c oughs> <c oughs> ้าใจยังใช่ไหมก็เราปฏิญญาณกันเ อ, เองเนี่ยมีใครขอร้องแล้วก็เรามีศรัทธาในพระเจ้าไม่ใช่หรือ พุทธสาวาสเมธาโสวพุทโธเมสามิกิโสโลพุทโธตุกัสสคาตาเะวิทาตาหญิงแต่สมีก็ต้องกันอย่างเงี้ยยังมีการมอบทายสวายชีวิตด้วยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยธรรมดาที่ไหนแล้วสวายไปหมดแล้วไม่มาวิ่งตามตัณหางอกงอกกอย่ไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่าไปเกรงใจมันตัณหาเกรงใจมากแล้ว นีพ่พูดอย่างเงี้ยคนต้ตีความไม่ถูกใช่ไหมยังไปหาว่าอะไมาเป็นมองในกระด้านกระเดือนกับญาติพี่น้องมันไม่ใช่ให้รู้จักในการนี้ว่าตอนนี้เราเป็นทาตของตัณหาหรือเป็นทาตของศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าเราจะมีตัณหาเป็นเพื่อนหรือจะมีศรัทธาเป็นเพื่อนก็ไปนั่งท่องเทศศัพท์ตรงเนี้ยมันใช่ศรัทธาหรือตัณหาเนี่ยลองมองหน้าแล้วดูที่ไม่ใจ่ใช่ไหมถามว่า ถ้าเราไม่เป็นทาาของตัณหาชีวิตเราจะว้าวเวไหมเดินนั่งคิดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมมันจะมันจะว้าวเวไหมใช่ไหมหลายคนไปนั่งคิดบอกโอ้โหหนักเนั่งานนี้เขาบอเออมาตั้งหลักให้บอกเอา้าคุณไปนั่งคิดศรถถัทธาตัณหาคะณจะไรเป็นเพื่อนใช่ไหม เราตระหนเป็นเพื่อนกับไปที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเหมือนกันอันนี้ก็ไปเหมือนกันก็จะไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็จะมือชีวิตจะไปเป็นคลมุมเลยนะระหว่างมีปัญหาเป็นเพื่อนก็มีสถานเป็นเพื่อนสองแล้วอย่างยาวนานมาแล้วในสังสารวัตรเราะเราเลือกเพื่อนผิด เ, เลือกเพื่อน เราเคยประกาศเป็นท่าของพระเจ้ามาไม่รู้กี่อัตภาพแต่เราก็ลืมลองคิดดูนะว่าสมัยพระปทุมุตระสัมมาสมัมพุทธเจ้ารับพระธรรมของพระเจ้ากระจายไปแสนโกดจักรวาลมากสุดมีการประชุมสงฆ์อ่ะแสนโกดครั้งแรกเลยแสนโกดลูก โอ้โหสาสนในศาสนาของพระพุทธเจ้ายุคนั้นเนี่ยพระประทุมมุตร์พุะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของเดรัจฉีเจือปนเลยโอ้โหเป็นคำสอนที่เป็นคสอนที่แรงมากบรรดาลทัทธิเดรัจฉีสยบหนีหมดเลยแหมการเวยแก่อายุแสนปีเราก็ทันมาแล้ว เห็นไหมด้วยการที่เราเนี่ยเป็นปฏิญญาณกันหล่อๆหลายๆนี่แๆๆล้วันย่งไม่เยไม่เลยบรรลุถ้งนั้นเราไปแต่ยุคงั้นแล้วตั้งแต่สมัยพระปทุมมุตระสัมมาสมุบจต <ๆ S 1> เจ้าแล้วไม่ว่าทำแผ่ขยายไปขนาดนั้นน่ะไม่ติดร่างเหรอไม่ติดร่างสักไม่ติดกายสัพพยุตญาณเลยอะมันติดแบบเบาๆนี่แหละเห็นไหมแ ล, และมาองนี้ก็ยังมา ทำท่าทำท่าศรัทธาอ ง, ององเองงงงเองงอีอย่างหน่งไม่ได้ใช่ไหมตั้งหลักใหม่ถ้าอย่างนั้นอีกอีกไม่ถึงอันตรกับแท่านี้พลาดเลยยาวเลยจะหาพระเจ้าแทบไม่เจอเลยจะทํำยังไงเราต้องเราต้องคนวนวํานวณว่าตะดีให้ถูกดีใช่ไหมศึกษาว่าทำมันต้องขีดเส้นเดินทางให้มันชัดคือให้นึกนอัออนนี้คือทางผ่านเนี่ยนี่คือทางผ่าน แต่ไม่ใช่ทางติดทางเกาะทางยึดมันทางข่างอย่าแวะนานนี่มันนานเกินไปแล้วตอนนี้มันแวะนานเกินไปแล้วมันไม่ยอมเดินกันทุกทีอะตอนนี้ใช่ไหมมันต้องบอกไฟลนเดี๋ยววิ่งมันนั่ง น, นานแล้วเอาไปลนเอาเปล่าเอาไฟลนวิ่งออกวะให้วิ่งออกไปจากที่ น, นั่นไปก่อนถ้าอยู่ตรงน้ำยังคิดไม่ได้ต้องให้วิ่งออกจากที่ก่อนเหมือนจะไปคิดออก มันต้องอย่างนั้นเลยนะที่มันก็นั่งแช่ยนะประมาทเนี่ย น, นะประมาทนัน ต, ต้องต้องวิ่งออกากตรงนั้นก่อนถึงจะคิดได้ถ้าไม่คิดไม่ได้ลมันจะกลับไปที่เดิมอยู่ลยก็มันเฝ้าพกมานนแล้วิธีคิดของมันเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เวลามาบรรยายทำอะไรต่าง ทีเป็นนั่งคุยกับากคุยกับอะไรบางทียาติเขาบอกโอ้โท่านไปไกลหมดบางทีคุยเหมือนคุยกันคนละเรื่องอะไรนี่จริงๆไม่ได้ไกลหรอกเพียงแต่ว่ากรณีความคิดมันกลับกันหมดความคิดอนี่ยนี้เวลาคุยกับคุยกันอะไรใดไม่รู้เป็นยังไงเราคุยกัคนละเรื่องแล้วเขาไปหมดลายกาเป็ เออเราเดินทางเราเราเราเรามั่นใจไหมที่เราเดินเรามั่นใจก็เราเดินทางก็ทำแค่เย้ต้องกล้าด้ยนะต้องกล้าย้อเต็มกล้าไหมกล้าที่จะเดินตามพุทธเจ้ากล้างั้นงั้นจะหมดเวลาเลยทั้งอ้าวจะเอ้อ เขาจยากไหมเรื่องทิ่ฐิไม่ยากแล้วันคงเสร็จทีฏฐกว่ามีใครใครสงสัยอะไร